ความหลงทําให้เรายึดติดให้เรายึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทาให้เกิดความอยาในสิ่งที่เรายึดติดอยากจะให้ดีเสมออยากจะให้อยู่กับเราไปานานอยากจะไม่ให้เขาจากเราไปความอย่างเหล่านี้ก็ทําให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมาใน ใ, นใจเกิดความวิตกกังวลเกิดความห่วงใย เวลาที่เขาจากไปก็เศร้าโศกเสียใจอะไรเอ า, า่กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่เห็นความจริงไม่สอนใจให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปจากเราต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเราไปควบคุมบังคับไม่ได้ ถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมหรือเป็นปัญญาที่จะมาแก้ความหลงพอไม่หลงแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆเพราะเราจะไม่มีความผูกพันเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะไปก็ปล่อยเขาไป เราก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่หรือจะไม่ไ ม, ไม่ไม่พึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆมากจนเกินไปพึ่งเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไม่ยึดติดกับที่เราพึ่งเพราะรู้ว่ายังไงมันก็พึ่งได้ชั่วคราวแต่ให้เรามายึดติดกับที่พึ่งที่แท้จริงของเรา ที่แทที่เบื้องที่แท้จริงของเราก็คือนี่แหละแสงสว่างแห่งธรรมปัญญาให้เรามีปัญญาสอนใจเราอยู่เรื่อยให้เราทำใจให้สงบให้เราเข้าเกี่ยวว่างให้ได้ปัญญามีไว้สอนให้เราทำใจให้สงบทำใจให้ปล่อยวางทำใจให้ว่าง พอใจว่างปล่อยวางได้แล้วก็สบายก็ทําอะไรไปตามเหตุตามผลไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทําอะไรเลยแ ต, แต่ก็รู้ว่ามันมีกรอบของมันกรอบของเหตุผลเรื่ร่างกายเนี่ยจะให้ดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนมันก็ดูแลได้ในกรอบของของมัน จะให้มันอยู่เกินกรอบของมันเป็นไปไม่ได้เมื่อช้านี้มีหมอเอายาบำรุงร่างกายมาให้แล้วบอกยาให้เรากินเลยเราเราเหนื่อยกับการกินยาเราตอนนี้ก็มียาอยู่หลายชนิดแล้วเดี๋ยวกินเข้าไปหลายหลายชนิดนี้มันเดี๋ยวมันไปตายเพราะยา เขาบอกก็เป็นตรงๆให้เขาคืนไปเถอะเขากลับไปเราไม่ให้เราถ้าจะให้เราเราก็รับได้แต่ถ้าจะบงังคับให้เรากินก็เราก็ไม่กินเป็นตรงไปตรงมาสรุปว่าท่านไม่ทานนะก็เนี่ยข้าวนี่ก็เป็นยาอยูน่นะข้าวน้ํานี่ก็เป็นยาไม่ฉันไม่ฉันฉลองศรัทธาซะ มือถมือเราไม่ใช่เป็นหนูหนูรองยาเนี่ยใครเอายาอะไรมาให้ก็กินเลยเดี๋ยวก็ตายเพราะยาธรรมชาติเขาถวายมาทุกฉลองศรัทธาคนหนึงของที่เราเข้าร่างกายเราเราต้องระวังใช่ไหมคณอยู่ดีๆใครเอายามาให้คุณคุณก็กินอนีบอกลุงคุณก็ไม่รู้ว่ามันยาอะไรมาจากที่ไหนบ้างไม่กินอะยาส่วนใหญ่ เนบันมันีย่ค่เกี่ยวเรีย่อตรงยุไแต่ในโบราณเาก็มีเดี๋ยวในี้ใส่สเตอร์ลงสเตอรอยผสมเข้าไปกันไปเ ย, าายมันก็เลยในโบราณเนี่ยเีนี้บางคนไม่มียาบาลันก็ไสใช่ันก็บอกว่าทาใจดีกว่าผ่อใจแล้วก็ปล่อยวางร่างกายก็ดูแลมันไปเท่าที่ ถ้าที่จะดูแลได้คืออย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปเครียดกับการดูแลอย่างก็ น, นั่งไม่มีไม่มีความสุขกับการอยู่อยู่ไปทําไมดูแลมันพออย่างที่เคยดูแลมาก็ตั้งแต่เกิดมาก็ดูแลอย่างนี้มามันก็อยู่ได้ก็ดีอยู่แล้วจะเป็นโรคให้มันอยู่นานกว่า น, นี้ไปทําไม อยู่ไปก็ไม่รู้อยู่ไปทําอะไรมันไม่ได้หวังอะไรมันไม่ต้องการอะไรอยู่ทําไมโวลาถามจริงๆอยู่ทําไมไได้อะไรบ้างไม่มีอะไรอยู่ไปตามธรรมชาติแหละธรรมชาติให้อยู่ก็อยู่ไปอยู่ไปทําอะไรได้อะไรมันเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ไปแล้วทำอะไรถ้าจะอยู่ก็ต้องอยู่แบบพระพุทธเจ้าอย่างนั้นถึงจะได้กําไร ถ้าไม่ได้อยู่แบบพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้อยู่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ก็อยู่ไปก็เสียชาติเกิดอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรถ้าอยู่แล้วทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำก็จะได้กําไรเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราฉลาดทรงสอนให้เรามีปัญญาทรงสอนให้เราดับความทุกข์ทั้งหลายภายในใจของเราให้หมดไป ทงสอนเนียเรายุติการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ถ้าไม่ไม่ถ้าไม่ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็อยู่ไปก็เท่า น, นั้นแหะต่อให้อยู่ไป อ, อีกร้อยปีสองร้อยปีมันก็มันก็ไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนสมัยใหม่เขาก็ไม่อยากมาเรื่องตายตาเกิดเนนะี่ยอยากแต่งานจะ่ไม่อยากมีลูกนะแต่งงานแต่ไม่มีลูกเนะี่ยกิดทางเนี่ย ปู่ย่าตายายต้องเงินมาล่อหลายคนหนึ่งให้ล้านหนึ่งเท้สองล้านบ้างผู้หญิงก็ดผู้ชายก็ได้อืมเป็นอย่างนั้นเกิดก็มันก็เกิดมาก็ก็ต้องเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยเกิดแล้วก็ต้องมีปัญหาต่างๆตามมาถ้าไม่เกิดก็สบาย ถ้ามีลูกก็ก็มีกองทุกข์เพิ่มขึ้นอีกกองร่างกายนี้เป็นกองทุกข์ตัวเราอยู่ตามลำพังก็ทุกข์พอสมควรแล้วก็ไปหากองทุกข์มาเพิ่มอีกกองหาภรรยาหาทรหาพละสามีมาแบกทุกข์แล้วก็ก็ต้องหาลูกมาเพิ่มอีกแล้วก็หาหลานมาเพิ่มอีก เป็นกองทุกตามอ่ะเพราะไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์เพราะเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดแล้วก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เลี้ยงดูล่างกายนี่มันมีแต่ภาระมีแต่เรื่องให้ทาอยู่ตลอดเวลา แล้วความสุขที่ได้จากการมีร่างกายก็เป็นความสุขชั่วคราวความสุขประเดียวประดาวเราต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆจะมีความสุขกับสูบบุหรี่ก็ต้องสูบอยู่เรื่อยๆมีความสุขกับเดิมชุราก็ต้องเดินอยู่เรื่อยๆมีความสุขกับการกระทําอะไรก็ตามก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆ พอเวลาไดไม่ได้ทำขึ้นมาก็ทุกข์แล้วนะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้เนะพราะไม่รู้วิธีอยู่ให้เป็นสุขอยู่อย่างไรนะนะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนก็เราก็จะเป็นอย่างนี้อย่างคนที่ไม่มีศาสนาเขาก็ต้องดิ้นตอบซู่ ตะเกียกตะกายเช้าก็พ่อออกจากบ้านเพื่อไปหาเงินพอได้เงินมาก็ไปตะเกียกตะกายใช้เงินกันพอเงินหมดก็หาอีกหาเงินวนๆอหาก็หาเงินใช้เงินไปจนวันตายก็มีเท่านั้นชีวิตก็ไม่ไม่มีความสุขที่แท้จริง เพราะไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นได้อย่างไรความสุขที่เป็นความสุขทาววอนี้มีอยู่แต่หากันไม่เจอหากันไม่เป็นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสรงสอนก็จะไม่มีใครหากันได้ถึงแม้มี เราสงสอนแล้วก็ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้มีก็เพียงไม่กี่คนที่จะสามารถปฏิบัติตามได้เพราะจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ต้องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเคยกินอยู่แบบนี้ต้องต้องเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเช่นเคยอยู่ในวังก็ต้องไปอยู่ในป่า ไม่มีอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ก็ต้องออกไปออกไปขอเขาเอาศัยความเมตตาของผู้อื่นแล้วแต่เขาจะให้อะไรมาจะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินไปตามมีตามเกิดแต่ที่ต้องไปอยู่ในป่าก็เพราะว่าเป็นที่ที่จะ ทำให้เกิดความสงบทางจิตใจถ้าอยู่ในบ้านเมือง น, นี้มันมีเรื่องราวต่างๆที่จะมาคอยกวนใจทำให้ใจไม่สงบใจไม่สงบแล้วก็จะไม่มีความสุขที่แท้จริงก็ต้องอาศัยความสุขแบบยาขมเคลือบน้ำตาลทำอะไรก็สุขเดียวเดียว แล้วเดี๋ยวก็มีความทุกข์ตามมาเพราะว่าเวลาอยากจะมีความสุขแล้วไม่สามารถที่จะมีได้เป็นคนสุขบุหรี่เวลาบุหรี่หมดไม่มีบุหรี่สุขนี่ก็หมกหิบนะสูขไปก็จะทําให้ชีวิตสั้นลงทำให้มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่เป็นความทุกข์ ที่จะตามมางั้นก็ต้องต้องพยายามปฏิบัติตามที่พระเจ้ทาทรงสอนให้ปฏิบตัติให้อยู่แบบพระพุทธเจ้าลองซ้อมอยู่แบบคนจนทั้งวันถือศีลแปด ล, ลองอดข้าวเย็นปิดโทรทัตน์ปิด เครื่องบันเทิงต่างๆโทรศัพท์ทุกอย่างให้อยู่กับกับความว่างกับความไม่มีอะไรไม่ต้องทำอะไรทั้งวันให้ดูแลรักษาร่างกายอย่างเดียวแล้วก็มาพยายามควบคุมใจให้สงบทำใจให้สงบ วิธีอุบายของการทำใจให้สงบก็มีหลายวิธีหลายอย่างควบคุมความคิดอย่าให้คิดใช้การสวดมนต์ไปก็ได้ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้เพราะใจเวลาใจจะคิดได้อย่างเดียวถ้าเราบังคับมันจริงๆมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าเราบังคับให้มันคิดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ กเราเอาสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดได้ก็ยากก็อยู่ที่ว่าเราควบคุมให้มันอยู่กับการสวดมนต์ได้หรือเปล่าถ้าควบคุมให้อยู่กับการสวดมนต์ได้มันก็จะจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าเราควบคุมไว้ได้ต่อไปมันก็จะสงบได้พราะการสวดมนต์นี้มันเป็นอารมณ์เดียวทําเป็นอารมณ์เป็น มันจะทำเป็นอารมณ์ที่จะทำให้ใจสงบไม่ฟุ้งซ่านสวดมนไปบริเรกามพุโทโธไปหรือไม่เฉะนั้นก็บังคับใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้ไปอดีตไปอนาคตอย่าไปที่นู่นที่นี่ให้อยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ที่ร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับการทำางานของร่างกาย อย่าไปคิดหยุดความคิดเสียถ้าหยุดความคิดได้แล้วเดี๋ยวเจ็บก็จะสงบเวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่ายต้องนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจต่อไปถ้าเราดูร่างกายขณะที่เราไม่ได้นั่งพอเวลานั่งเราก็มาดูลมหายใจเข้าออกอย่าให้อย่าให้ไปดูเรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วลมหายใจก็จะพาใจเข้าสู่ความสงบ พอสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเย็นสบายถ้าสงบได้นานก็ดีถ้าสงบไม่นานก็ต้องทำทาต่อไปทำให้มันสงบให้นานให้ได้ใหม่ๆแรกๆก็จะสงบเดียวๆวุบลงไปแล้วก็ถอนออกมาได้งออกมาแต่มันจะได้สัมผัสกับความสงบความว่างจะทำให้มีศรัทธา มีความยินดีที่จะหาความสุขแบบนี้ก็เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายอันนี้เป็นที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสอนไว้พอได้พบกับความสงบแล้วก็จะติดใจก็ พยายามที่จะทำให้มีมากขึ้นก็ต้องถือศีลแปดบ่อยขึ้นตอนก็ถืออาทิตย์ละวันแต่พอได้สัมผัสกับความสงบแล้วก็อาจจะถือไปทุกวันเลยมีภารกิจการงานอะไรที่ไม่สำคัญก็ตัดไปถ้าพอมีพอกินแล้วก็หยุดถ้าบวชได้ก็บวช บวชแล้วจะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ได้ทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาถ้าทำอย่างนี้ก็ถือว่าอยู่ไปก็กำไรทำไปจนกว่าจะได้พบกับความสุขที่ที่มีเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจมีอยู่ตลอดเวลาตอนเริ่มต้นนี้ความสุขมันก็จะได้แวบๆเป็นเป็นพักๆ พราเรายังไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องความสุขมันก็จะต่อเนื่องจนในที่สุดมันก็จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลานั้นแล้วเราก็สบายละหมดปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีความสงบรักษาใจไว้ไม่ให้ ถูกเหตุการณ์ต่างๆมามามาํม า, มาทำให้ทุกข์ถ้ามีความสงบที่เกิดจากการนั่งสวดมนา์ที่แล้วก็มีปัญญามาคอยรักษาความสงบให้ความสงบมันก็จะคงอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็จะเฉยได้ ใครชมก็เฉยได้ใครด่าก็เฉยได้ได้สมบัติมาก็เฉยสูญเสียสมบัติไปก็เฉยได้อะไรมาก็เฉยเสียอะไรไปก็เฉยร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็เฉยเฉยแล้วมันสบายไม่ต้องไปยุ่งกับมันเึ่เวลาจะตายก็เฉยอย่าไปยุ่งกับร่างกายแล้วใจจะไม่เดือดร้อน อย่าไปอยากให้มันอยู่ต่อไปอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บอยู่กับมันไปเจ็บก็อยู่กับมันไปตายก็อยู่กับมันไปถ้าเฉยได้แล้วมันไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ตรงที่เฉยไม่เป็นกันพระอาจารย์จึตงต้องสอนให้เราเฉยทำทานก็เหมือนกับการเสียทรัพย์ไปเสียเงินไปเวลาเสียเงินไปคนเรามักจะห ง, ง, งุดหงิด เวลาได้เงินมามักจะดีใจเวลาเสียเงินไปมักจะเสียใจอันนี้เราให้มาฝึกให้เสียเงินถ้าเสียด้วยความสมัครใจเราจะไม่ง่หงุดหงิดใจถ้าเสียด้วยความยินดีทำไมเวลาเราไปซื้อข้าวของที่เราอยากได้นี่เราเสียใจไนะ้ยไม่เสียดีใจใวิธีที่จะที่จะแก้ ปัญหาเรื่องการใช้เงินไม่ไม่จำเป็นก็คือเวลาเราอยากจะซื้ออะไรเราก็ซื้อมาแล้วเราก็เอาไปให้คนอื่นกางอยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ซื้อมาเลยแล้วก็เอาไปให้คนอื่ น, น, เ, เ, น, นเราจะมีความสุขทั้งสองต่อเวลาซื้อก็มีความสุขเวลาเอาไปให้คนอื่นก็มีความสุขแต่เรามักจะไม่คิดอย่างนั้นกัน ถ้าซื้อให้เราเนี่ยเราจะยินดีจะซื้อแต่ถ้าซื้อให้คนอื่นนี่เราไม่ยอมซื้อนอกจากนานๆที่มีเหตุผลเช่นช่วงปีใหม่วันเกิดนี้เราต้องหัดหัดเฉยให้กับสิ่งกับการสูญเสียในสิ่งที่เรารักอันนี้สิ่งที่เรารักมากที่สุดส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งก็คือเงินทอง ลองนึกาตอนสิ่งที่มีสิ่งที่เรารักมากกว่าเงินทองคืออะไรก็คืออวัยวะอวัยวะต่างๆและสิ่งที่เรารักมากกว่าอวัยวะคืออะไรก็คือชีวิตพร mm hmm. ะเจ้าทรงสอนให้สละสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็ให้สละชีวิตเพื่อรักษาความสงบรักษาธรรมะ ธรรมะก็คือความสงบเพราะความสงบนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าอะไรผู้ที่มีความสงบแล้วสงสละทุกสิ่งทุกอย่างได้สละทรัพย์ได้สละอวัยวะได้สละชีวิตได้เพราะความสงบนี้จะทำให้ไม่สะเทือนใจกับการสูญเสียสิ่งต่างๆไป ดังเราต้องมาหัดทําใจให้เฉยกับการสูญเสียด้วยการสละทรัพย์แล้วก็มารักษาศีลอย่าไปทําบาปเพราะทาบาปจะทําให้ใจเราวุ่นวายคนทําบาปจะมีความหวาดกลัวจะมีความไม่สบายใจกลัวจะต้องไปรับผลผลบาป ถ้าไม่ทำบาป ก, ก็จะไม่มีความกลัวไม่มีความวิตกใจก็จะสงบแล้วก็ให้มาทําสมาธิจเจริญสติควบคุมความคิดอย่าให้คิดเรื่องราวต่างๆให้คิดแต่บทสวดมนต์ลมอคิดแต่พุทโธพุทโธไปหรือก็ให้มาควบคุมความ คิดให้คิดอยู่กับเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นคือให้เฝ้าดูร่างกายอยู่ทุกเวลานาทีไม่ว่ากำลังทำอะไรก็ให้เฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปแล้วมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่พอใจสงบก็ปล่อยให้สงบไปให้นานที่สุดเท่าที่จะน่ า, นานได้พอถอนออกมา ถ้าอยากจะรักษาความสงบต่อไปก็ทาได้สองวิธีก็คือควบคุมความคิดต่อไปอย่าให้คิดอะไรให้พุโทโธพุโทโธต่อไปหรือให้สวดมนต์ต่อไปหรือให้เฝ้าดูการกระทาของร่างกายต่อไปหรือถ้าอยากจะรักษาอีกแบบหนึ่งก็ใช้ปัญญาคอยควบคุมดูว่าใจใจจใจจะก็เพิ่มเมื่ อ, อไหร่ มากก็เพิ่มก็พยายามหยุดมันเหตุที่ทำให้ใจกรบเพื่อนก็จะรู้ว่าเป็นความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากแล้วใจจะไม่สงบแล้วใจจะกังวนกะวายก็ยกสับก็ใส่ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาหยุดความอยากให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์ แตาเห็นว่าเป็นความทุกข์ก็จะไม่อยากได้แต่มักจะไม่เห็นกันเพราะไม่เห็น <c oughs> เหตุที่ทำให้มันเป็นความทุกข์ก็คือมันไม่เที่ยง <c oughs> ได้มาแล้ว <c oughs> มันเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปนี่มันก็ไม่ไม่สุขแล้วเวลาได้ของมันใหม่ๆมานี่จะสุขเพราะของเก่าไปหรือเสียไปนี่มันก็ไม่สุขแล้วเราไม่เห็นตรงนั้น เราต้องนึกไปก่อนงหน้าหรือว่าถ้าเกิดจากไปก่อนที่เรายินดีก่อนที่เราจะพร้อม่หเขาจากไปเราก็จะทุกข์ใจนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรก็อยู่แบบไม่มีดีกว่าทุกแบบไม่มีดีกว่าแต่ถ้ามีปัญญาก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้มันก็จะหายทุกข์ใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบได้เป็นปกติ นี่คือการปฏิบัติเพื่อที่จะรักษาความสงบของใจให้อยู่กับเราไปตลอดลองไปทำดูพระพุทธเจ้าทำมาแล้ว <c oughs> พระสาวกทำมาแล้ว <c oughs> ได้ผลเหมือนกันหรือได้ความสบายใจ <c oughs> ไม่ทุกข์กับเรื่องอะไร <c oughs> แล้วอั น, นิสงส์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ <c oughs> เพราะไม่มีตัวผลักดันให้ไปเกิด ตัวผลักดันก็คือความอยากนี่ไม่มีไม่มีความอยากเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่อยากจะไปไหนแต่ถ้ามีความอยากก็อยู่ไม่ได้เราให้อยู่ในวังก็อยู่ไม่ได้เราให้มีข้าระหาดมีอะไรทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็เบื่อก็อยากจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าใจสงบแล้วไม่อยากเฉย ไปก็ได้แต่ไม่ได้ไปเพราะความอยากไปถ้ามีเหตุให้ไปก็ต้องไปเช่นไปหาหม อ, อก็ต้องไปมีธุระอะไรต้องไปก็ไปแต่ไม่ได้ไปด้วยความอยาก อ, อันนี้แหละเป็นเป็นเป็นเหตุผลที่เราควรจะอยู่กันอยู่เพื่อทาใจให้สงบถ้าอยู่เพื่อทําตามความอยากก็อย่าไปอยู่ ขาดทุนว่ามีแต่จะเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่น้อยลงไปปัญหาของพวกเราก็คือเราทำน้อยไปผลเลยจะไม่ค่อยปากฏขึ้นมาถ้าเราทำให้มากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นผลมากขึ้นไปตามลำดับ ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการกระทําอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทุ่มเทชีวิตจิตใจเพราะพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับที่ดีที่สุดของพวกเราพุทธังเจรนกฉามินี่แหละมาความหมายก็คือการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับของพวกเราถ้าเรายึดแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเรา เราไม่เอาแบบพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับ ก, กันเราเอาแบบของกิเลสเป็นแบบฉบับ ก, กันยังอยากเที่ยวยังอยากกินยังอยากดื่มยังอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านก็มีมาแล้วมีประสาทสามฤ ด, ดูมีทุกสิ่งทุกอย่างในทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพระอันปาณีตอันละเอียดอันวิเศษ ที่มนุษย์สามารถที่จะสรรหาได้ท่านมีมาแล้วแต่ท่านสละไปหมดเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นยาพิษมากกว่าเป็นเป็นยารักษาใจทําให้ใจเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นเหมือนยาขมเครือบน้ําตาลเวลาอมเข้าไปใหม่ๆก็หวานพอน้ําตาลที่เครือบหายไปก็เหลือแต่ความขม รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้เป็นอย่างไ้นพอะมันไม่เที่ยงความสุขที่ไม่เที่ยงสุขเดี๋ยวเดียวสุขแล้วก็หายไปทําให้ว้าวเวอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวทําให้ต้องหาความสุขแบบนี้ใหม่เช่ <c oughs> นมีสามีมีแฟนเวลาเลิกกันเนี่ยแล้วทําไงต่อไปก็ต้องหาแฟนใหม่ใชหาสามีหาภรรยาใหม่นะแทนที่จะเข็ดวะโ้ยเวลา เวลาจากกันล่าแหมามันทรมานใจเหลือเกินกลับกับไม่เห็นอย่างนั้นกลับไปเห็นว่าเอ้าถ้าไม่มีคนนี้ก็ต้องหาคนใหม่มาทดแทนหา ก, กี่คนมันก็เหมือนกันหาคนใหม่มาเดี๋ยวเขาก็จากเราไปอีกนี่คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกรนี้ต้องหามาทดแทนอยู่เรื่อยๆเพราะเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอน เขาเกิดเขาดับไปอยู่เรื่อยๆหามากี่ภพกกี่ชาแล้วเนี่ยก็หาไอตัวตัวเนี้หารูปเสียงกลิ่นรสกันดดกนะพวกที่มาเกิดในโลกมนุษย์นี้เป็นพวกที่ยังติดติดกามติดรูปเสียงกลิ่นรสโดดผฏฐาลเราไม่ต้องสอนด้วยไหมของยิ่งไม่ต้องสอนเลยเรื่องทำทานนี่ต้องสอนกันเรื่องรักษาศีลต้องสอนกันเรื่องภาวนาต้องสอนกัน แต่เรื่องหาแฟนนี่ไม่ต้องสอนอันนี้เด็กอายุสิบสองขวบมันก็หาแฟนกันได้เ <c oughs> พราะมันมันฝังมาอยู่ในใจกวามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันปลูกฝังมันฝังอยู่ในใจมาติดตามมากับใจเวลาตายจากร่างกายอันก่อนไอความอยากนี้มันก็ยังฝังอยู่ในใจนะคพอมีโอกาสเมื่อไหร่ปับ ก็จะหาแฟ น, นทันทีหาถ้าหลาก็เป็นปัญหาอย่างเงี้ยหแล้วก็มีความทุกข์คนเราอยู่ด้วยกันมันก็มีความเห็นไม่ตรงกันก็ทุกแล้วทะเลาะกันแล้วหรือมีความมีมีความไม่พอพอมีแฟนคนนี้แล้วก็ยังอยากจะได้ อีกคนก็ แ, แอบไปหาอีกคนพ อ, อคนรู้เข้าก็เสียใจเดี๋ยวก็ฆ่ากันตายหมดเนีย่ยเป็นความทุกข์ที่ตามมาถ้าไม่มีแฟนอยู่คนเดียวได้สบายแต่อยากจะอยู่คนเดียวก็ต้องทำใจให้สงบต้องมีมีงานมาทดแทนก็มาสวดมนต์แทน นั่งสมาธิแทนเดินจงกรมบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างนี้ก็พอที่จะควบคุมความอยากพอใจสงบแล้วก็เย็นสบายมีความสงบไม่หิวไม่อยากก็้องพยายามรักษาความสงบนี้ให้ได้ต่อไปด้วยการนั่งสมาธิต่อหรือไม่เช่นนั้นก็ลองใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความอยาก อย่างอื่นไม่ดีชนิดอื่นไม่ดีความอยากความสงบนี่ดีที่สุดความสุขที่ได้จากความอยากต่างๆนี่ไม่ดีเพราะว่ามันมันมีความทุกข์ตาม ม, ามีปัญหาต่างๆตามมาร้อยแปดไปมีครอบครัวเดี๋ยวก็มีลูกต้องเป็นภาระต้องเลี้ยงลูกต้องเหนื่อยยากอยู่คนเดียวถ้ามีความสงบแล้ว ได้กำไรไม่ขาดทุนถ้าต้องอยู่กันเป็นครอบครัวก็ขาดทุนเราจะต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูกันแล้วก็ต้องมาทุกข์มาผิดหวังเวลาลูกไม่เป็นไปตามที่เราต้องการให้เขาเป็นไปดัง้ใครเราพยายามเห็นโทษของของลูกเสียงกินลดโพดตาพะ ให้เห็นว่าเป็นยาพิษไม่ใช่เป็นขนมหวานเป็นยาขมเคลือบน้ำตาลหวานเดียวเดียวใหม่ๆก็หวานดีพอพอนานเข้าไปหวานมันก็จางหายไปต่อไปก็อยู่กันแบบทนกันอยู่อยู่กันถ้าอยู่กันได้ก็จะ อ, อยู่ทนทนกันอยู่ได้บางคนก็อยู่กันไม่ได้ต้องอย่าล้างกันไป ไปหาคนใหม่หาคนใหม่ก็แบบเดียวกันเลยใหม่ๆก็หวานบางคนนี่แต่งแล้วยายาแล้วแต่งไม่รู้เป็นกี่กี่ครั้งกันถ้าเราไปหาความสุขแบบนี้เราก็จะก็ต้องเจอพบ ก, กับความทุกข์แบบนี้ไปเรืเร่อยๆตายจากชาตินี้ก็ต้องไปเกิดไปไปเกิดใหม่เพื่อที่จะไปหาความสุขแบบนี้ หายออไปถ้าทําใจให้สงบได้ก็หยุดไม่ต้องไปหาอะไรมีความสุขในตัวเราแล้วไม่ต้องไปหาความสุขข้างนอกความสุขในตัวเราเนี่ยเป็นเป็ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดการกลับการไม่กลับมาเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหน เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเองแต่ว่าเราไม่ต้องมีร่างกายมาเป็นพาละมาเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเหมือนคนที่ไม่ต้องออกนอกบ้านก็ไม่ต้องมีรถถ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ในบ้านมีความสุขกับการอยู่ในบ้านแล้วก็ก็ไม่ต้องมีรถคนที่มีรถเพราะว่ายังต้องออกไปนอกบ้าน คนที่ไม่ออกไปนอกบ้านไม่มีรถก็ไม่ได้หมายความว่าเขาสูญหายไปไหนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่ได้สูญหายไปไหนท่านก็ยังอยู่อยู่เหมือนกับเราอยู่ยนี่เพียงแต่ท่านไม่มีร่างกายมาเป็นภาระท่านไม่ต้องไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั้นไม่ต้องกลัวว่าปฏิบัติไปแล้ว พอไม่มีความอยากแล้วเราจะอันตรธานหายไปกลายเป็นศูนไม่ใช่อย่างนั้ น, นครับ็เป็ น, เ ป, นเป็นดวงจิตที่อยู่แบบใช่ไหมฮะหรือว่าก็เป็นเหมือนดวงจิตของเราที่อยู่เดี๋ยวนี้แล้วจะอยู่ส่วนไหนของก็อยู่ในโลกทั่วๆไปอยู่ในโลกทิพย์จิตอยู่ในโลกทิพย์ร่างกายอยู่ในโลกธาตุอยู่คนละโลกกันเหมือนเหมือนยามที่เขา ไปสำรวจที่โลกดาวองคาลตอนเนี้ยร่างกายเหมือนอยู่ที่ดาวองคาลแต่ผู้ควบคุมยานี่อยู่อยู่ที่โลกนี้เพรว่าสมมติยานนั้นเกิดเสียหายไปติดต่อกันไม่ได้คนควบคุมก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ดวงจิตแต่ละดวงนี้มันไม่มีวันสูญไม่มีวันดับของใครของมันอยู่ในโลกทิพย์ด้วยกันทุกคนอย่างที่บอกว่าท่านไปไมิถานนี่ไม่ได้หมายถึงดับสูญเลยนะคะ ทุกอย่างนไปสูนอะไรล่ะท่านก็ศูนย์แต่ศูนย์แต่กิเลสเนี่ยศูนย์แต่ความอยากเราไปแปลความหมายว่าทุกอย่างสูนไปก็อย่างที่บอกคนที่ไม่มีรถกับคนที่มีรถนี่มันศูนย์หรือเปล่าคนที่อยู่บ้านกับคนไม่คนที่ต้องออกนอกบ้านมันต่างกันตรงนั้นเองคนที่ต้องออกนอกบ้านก็ต้องมีรถพาไปไหนมา ไ, ไหนนี่อยไปอยู่ที่โลกทิ่นม่โลกทิพนี่หมายถึงว่า อยู่ในเหมือนเกิดที่เราพูดว่าอยู่สวรรค์นี่ออยู่อะไรทั้นี้ไหมคะ อ, อยู่อีกภูมิหนึงตอนนในโลกที่มันมีหลายภูมิตั้งแต่นี่พานลงมาถึงมารโลกเนี่ยโลกทิพย์ทั้งนั้นร่างกายเราตอนนี้ก็อยู่ที่โลกทิพย์เพียงแต่ว่ามันส่งกระแสมามาติดอยู่กับร่างกายนี้เท่านั้น หาใจว่ะให้คนไปอยู่โลกทิพย์แต่เราไม่มีร่างอไม่มีมีร่างกายหรือ ไ, ไม่มีร่างกายเจ้าเวลาตายไปถ้ายังไม่ทันได้ร่างกายใหม่มันก็ยังอยู่ในโลกทิพย์ยังไม่ได้มาอยู่ในโลกกระท้านมันก็ต้องไปรอเข้าคิวรอให้คนเขาผลิตร่างกายก่อนแล้วเราก็ไปจองเหมือนกับไปจองรถยนต์อย่างงี้ย ไ, ไ, มไม่ไม่ใช่การเป็นตำรวจหรือสื่อล่างว่าดี เขาว่าสามประเวสีก็คือใจมันหิวใจมันอยากมันไม่ลอยไปไหนมันมันหิวมันมันกำลังหาที่เกิดใหม่เห็น ไ, ไ, ไหมมันก็ไปหาไปเรื่อยๆส่งเหมือนกับเรากดมือถือเนี่ยโทรหาหาเครื่องไหนที่เขาจะรับสายเราถ้าเครื่องไหนรับสายเราก็เราก็ได้เราไม่ต้องหา ก็ได้ครับเป็นพระพุทธเจ้าไงเป็นพระอรหันไงก็ถ้าไม่หาเราไงท่านหยุดเพราะท่านไม่หิวไงท่านไม่หิวท่านไม่อยากถ้าเรายังหิวเราอยากเราก็ต้องคอยกดมือถือหาเครื่องมือถือคนคนไหนจะรับเครื่องเราอย่างเงี้ยอยากจะหาเพื่อนคุยก็ต้องกดมันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่อยากจะหาเพื่อนคุยแล้วเราก็ไม่ต้องเปิดเครื่องโทรศัพท์ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ ดวงจิตของแต่ละคนนี้มันไม่มีดับเลยเรามีแต่เปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆพอร่างกายนี้ดับไปเราก็ก็ไปหาใหม่ร่างรอยน้องรอยหาท้องไครถ้าท้องมนุษย์ไม่ได้เอาท้องสัตว์ก่อนก็ได้ท้องสัตว์มันหาง่ายกว่าไปเกิดเป็นหนอนเป็นไส้เดือนนีม้มันง่ายเปิดเกิดเป็นแมลงเป็นอะไรนี่มันพุ่งนี้มัน มันมันเป็นจํานวนเกิดวัยมีมากคนที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่มันจะต้องมีบารมีมากกว่าคนที่ไปเกิดเป็นสัตว์ปปถ้ามีศีลก็จะเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าไม่มีศีลมันก็ต้องไปเกิดในระดับของเดรัจฉานก่อนเหมือนกับมีเงินน่ะถ้ามีเงินมากก็ซื้อเบนได้มีเงินน้อยก็ซื้อไม่ได้ เราไปซื้อจั ก, กรยานหรือไปซื้อรถเข็นเนี่ยอยู่ที่กําลังทรัพย์ของเรากําลังทรัพย์ก็คือบุญฮะอ่า<ม>คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือกําลังทรัพย์จิตของพวกเรานี้ไม่เคยตายอายุนี่นับไม่ถ้วนนะว่ามีอายุยืนยาวนานัะเท่าไหร่มันก็เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปเรื่อยๆเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆ พอร่างกายนี้หมดก็หาล่างใหม่ช่วงที่หารออยู่นี่ก็ก็ไปใช้บุญใช้กรรมต่อก่อนถ้ามีบุญก็ก็ก็เป็นเทพเป็นอะไรไปถ้ามีบาปก็ไปเป็นเปรตเป็นนรกไปเป็นเดรัจฉานไปจนกลางมันจะหมดกําลังของบาปของบุญมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วก็แล้วกกลับมาทําบุญทําบาปใหม่ก็อย่างนี้เขาเรี ย, วย <K ill an> กยว่าววายตายเกิด <K ill an> ขึ้ น, นๆลงๆจนกาจะมาพบกับพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนได้ก็ยุติการเวินวายตายเกิดได้คือไม่เติมน้ํามันให้กับเชือ้อไม่เติมน้ํามันให้กับจิตจิตนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์น้ํามันที่ทําให้จิตวิ่งไปวิ่งมาก็คือความอยากปีเลตันหา พอเราเราตัดติเลตตันหาได้หมดไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีน้ํามันมันก็เหมือนรถยนต์รถยนต์ไม่มีน้ํามันมันก็วิ่งไปไหนไม่ได้จิตที่ไม่มีความอยากมันก็มันก็ไม่ไปไหนมันอิ่แล้วมันไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปใช้บาปใช้บุญที่ไหนต่อไปอันนั้นก็เรียกว่าเป็นนิพพานนิพพานก็เป็น สถานภาพของจิตเรานี่เองจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ไม่มีความโลภความอยากไม่มีความโกรธความหลงอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นนิพพานที่เรียกว่าปรามังสุญญงก็คือว่างว่างจากความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนี้มันทำให้เราผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาเวลาเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่ว่างแะ เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเป็นสมมุติเป็นคิดว่าเราเป็นลูกคนนั้นเป็นพ่อคนนี้เป็นหลานคนนั้นมีฐานะอย่างนั้นมีฐานะอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะความคิดปรุงแต่งของเราเองแล้วเป็นคนแต่งนิยายของเราเองคนแต่งนิยายเขาแต่งจากอะไรเขาก็แต่งจากความคิดเขาไม่ใช่เนี่ยเขาก็นั่งคิดแล้วก็เขียนเป็นหนังสือออกมา คนที่อ่านหนังสือเขก็เอาไปอ่านแล้วก็ไปคิดตามไปจินตนาการตา่างก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาพอหยุดคิดได้ใจสงบได้มันก็ว่างแต่ว่าความว่างมันมีหลายระดับเนี่ยว่างในระดับสมาธิมันก็ว่างประเดี๋ยวเดียวออกจากสมาธิมามันก็เริ่มคิดหน่อยถ้าว่างระดับปัญญามันก็มีหลายขั้น ระดับปัญญาเป็นในขั้นของโสดาบันส ก, กิดาคามีอนาคามีของอหรหันต์มันก็ว่างว่างแต่ว่างไม่หมดขั้นโสดาบันว่างในระดับหนึ่งขั้นส ก, กิดาคามีก็ว่างอีกระดับหนึ่งอนาคามีก็ว่างขึ้นไประดับหนึ่งถึงขั้นพระอหรหันต์ถึงจะว่างเต็มที่นี้จะไม่มีเรื่องอะไรทั้งหมดในจะจะว่างใจจะไม่คิดปรุงแต่งเห็นอะไรก็สัต์แต่ว่าเห็น เฉยๆแต่ก็ยังรู้อยู่รู้สมมุติแต่ไม่หลงกับสมมุติรู้ว่าคนนี้เป็นพ่อหรือว่าคนนี้เป็นแม่แต่ก็รู้ว่าร่างกายของเขานี่เป็นดินน้ำลมไฟตัวพ่อตัวแม่ไม่ใช่เป็นตัวร่างกายตัวพ่อตัวแม่คือตัวใจที่มาครอบครองร่างกายนี้่ตัวพ่อตัวแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เวลาพ่อแม่ตายก็ไม่รู้จะร้องห่มร้องไห้ไปทำไมเมื่อเขายังไม่ตายสิ่งที่ตายก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าของเขานี่เสื้อผ้าเขาขาดแล้วไปร้องห่มร้องไห้กับเสื้อผ้าก็ทำไมเขาก็ไปหาเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ต่อไปใจก็าว่างไม่ไม่ปรุงแต่งไม่ไม่ผลิตเรื่องราวอะไรต่างๆออกมาให้ปวดหัวให้เกิดความอยากเกิดความอะไรต่างๆ ใจเฉยสบายเวลาไม่มีเรื่องอะไรก็ว่างใจไม่คิดปรุงแต่งรู้เฉยๆถ้าจะใช้ความคิดก็ได้แต่ใช้ความคิดด้วยปัญญาไม่ใชใช้ความคิดด้วยความหลงพวกเราตอนนี้ใช้ความคิดด้วยความหลงหลงว่าเป็นของเราไปหมดเห็นอะไรก็เป็นของเราไปหมดเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นลูกเราเป็นสามีเป็นภรรยาเรา เป็นบ้านเราเป็นของเราไปหมดพอเกิดอะไรกับเขาขึ้นมาก็วุ่นวายไปหมดอันนี้มันคิดไปตามความหลงถ้าคิดไปตามความจริงก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเวนี้ไม่ใช่ของเราเป็นเป็นสมมติสมมติว่าเป็นของเราชั่วคราวอต่ต้องจากเราไปสักวันหรือเราต้องจากเขาไปสักวันแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ ไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะอยากจะเป็นอย่างไรเราไปห้ามเขาไม่ได้บางครั้งเราก็อาจจะทำได้แต่ไม่ได้ไม่ได้เสมอไปทุกครั้งงนั้นต้องรู้จักขอบเขตว่าอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได้ส่วนไหนที่เรายังทำได้เราก็ทำไปเช่นตอนนี้ร่างกายเรายังดูแลได้ก็ดูแลไปยังรักษาให้มันมีชีวิตอยู่ได้ก็รักษาไป แต่เมื่อถึงเวลาที่มันจะไม่ให้เรารักษามันก็ต้องก็ต้องยอมรับความจริงทําอะไรไม่ได้ก็ต้องเฉยทําให้ดีที่สุดทาเท่าที่จะทําทได้เมื่อถึงเวลาทําอะไรไม่ได้ก็ทาใจเฉยเสียปล่อยให้มันเป็นไปตามความจริงของมันใจของเราก็จะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจจะสงบอยู่ตลอดเวลา นี่คือหน้าที่ของพวกเราถ้าถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็เกิดมาเพื่อทําใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการทําใจให้สงบด้วยการปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าสละสมบัติเข้าของเงินทองไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ไปหาความสุขจากการทําใจให้สงบที่จะทําใจให้สงบที่ดีที่สุด ก, ก็คือที่อยู่ที่วิเวกที่สงบสงบัด ที่ไม่มีเรื่องราวต่างๆมาคอยกวนใจก็ก็อยู่ในป่าอยู่ในที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆแล้วก็คอยควบคุมความคิดอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องแสงสีเสียงเพราะถ้าปล่อยไปคิดเดี๋ยวอดที่อยากจะกลับไปหามันไม่ได้พอคิดถึงแฟนคิดถึงเพื่อนคิดถึงคนนั้นคิดถึงนี้เดี๋ยวก็อยากจะกลับไปหาเขา คนที่ไปอยู่ในป่าแล้วต้องกลับออกมาก็เพราะาสู้ความคิดของตนเองไม่ได้ก็คุมความคิดของตนเองไม่ได้ทําใจให้สงบไม่ได้ถ้าใจไม่สงบแล้วมันหิวมันจะหิวกับรูปเสียงกลิ่นลดพอไม่มีอยู่ไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเบื่อใหม่ๆก็อาจจะชอบแต่พออยู่ไปนานๆเข้าถ้ายังไม่มีความสงบนีความหิวมันจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆหิวในรูปเสียงกลิ่นรด แล้วเดียวมันก็ต้องกลับไปกลับไปหารู ป, สรปเสียงกลิ่นรสใหม่ลืมไปว่าที่มาเพราะที่มานี่ก็เพื่อหนีรูปเสียงกลิ่นรสแต่ความหลงมันสามารถหลอกให้เราลืมได้ว่าความทุกข์ที่เราหนีมานี่กลับไปเห็นว่าเป็นความสุขพออยู่ห่างไกลนานๆแล้วก็อยากจะเจอกันเนลวลาอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันจะฆ่ากันให้ได้พอไม่ได้เห็นหน้ากันสักปีสองปีนี่คิดถึงกันเลย ลืมไม่หมดนะลืมไปกับเรื่องราวต่างๆที่มีมีความทุกข์ต่อกันอยากจะเ จ, เจอหน้ากันเพราะความหิวความหิวมันทำให้เราลืมได้หมดเังนั้นถ้าเราถ้าเราทิ้งสิ่งต่างๆแล้วเราก็ต้องพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจควบคุมความคิดของเราให้ได้ ด้วยการจเจริญสติการเจริญสตินี้ก็คือการควบคุมความคิดไม่ให้คิดอะไรที่ไม่จําเป็นให้คิดเท่าที <t enth> <t enth ่จําเป็นเช่นให้คิดอยู่กับการกระทำของร่างกายร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้คิดอยู่กับเรื่องนั้นกําลังแปลงฟันก็ให้คิดว่ากําลังแปลงฟันกําลังล้างหน้าก็คิดว่ากําลังล้างหน้ากําลังหวีผมกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวหรือกําลัง กวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวรับประทานอาหารก็ให้คิดอยู่กับเรื่องนั้นอย่างเดียวอย่าไปคิดอยู่กับเรื่องอื่นแล้วพอมีเวลาว่างก็ต้องนั่งหลับตาทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วมันจะหายมันมันจะไม่หิวมันจะอยู่ได้อยู่คนเดียวได้น่าจะชอบอยู่คนเดียวเพราะอยู่ความเดียวมันมีความสุขมากกว่าอยู่กับกับคนหลายๆคนกับเรื่องหลายๆเรื่อง เพราะมันมีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งนั้นที่พระเจ้าทำในหกปีเห็นไหพระเจ้าออกจากวังแล้วก็ไม่ไปไหนอยู่แต่ในป่าหรือไปศึกษาตามสำนักต่างๆจนกระทั่งสา ม, มารถทำใจให้สงบได้อย่างถาวรกำจัดความอยากทุกทุกอย่างที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้หลังจากนั้นท่านก็มา มาช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปมาสั่งมาสอนให้พบกับความสุขที่แท้จริงให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของพระ อ, องค์เองเพราะพระองค์ได้ประโยชน์เต็มที่แล้วจากการปฏิบัติของพระ อ, องค์เองเวลาที่เหลือของท่านตั้งแต่อายุสาสิบห้าถึงอายุแปดสิบปีนี่สี่สิบห้าปีด้วยกันทาประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว สั่งสอนให้ผู้อื่นได้ดุดพ้นจากความทุกข์เป็นจํานวนมากมีเป็นจํานวนมากมีมาจนถึงปัจจุบันนี้หลังจากที่พระองค์ตายไปแล้วพระองค์ก็ทรงตัดว่าเรายังไม่พวกเธอไม่ได้อยู่ปราศจากเราเรายังอยู่กับพวกเธอในรูปแบบของคําสอนของเราธรรมวินัยที่ตถาคตตับและชอบแล้วนี่แหละจะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปเธอไม่ได้อยู่ปรา ศ, ราศจากาศาสดา ตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ป่าสะจากพระพุทธเจ้าเรายังมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเราอยู่โดยโดยผ่านพระอริยสงสาวกทั้งหลายเป็นผู้นํเอามาถ่ายทอดให้เราอีกต่อหนึงเพราะฉะนั้นเราได้มาพบของวิเศษแล้วเราจะทําอะไรกับของวิเศษนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเราจะโยนทิ้งไปเขี่ยทิ้งไปเหมือนไก่ได้พลอยก็ช่วยไม่ได้ เรื่องเราจะรีบเอามาสะสมเก็บเอาไว้เป็นสมบัติของเราการที่เราจะเอาทำเราก็ต้องสละอย่างอื่นไปเพราะจะเอาของเอาทั้งธรรมเอาทั้งโลกด้วยกันไม่ได้ความสุขทางธรรมกับความสุขทางโลกนี้ไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเราอยากจะได้น้ําน้ําชาแก้วใหม่เราก็ต้องเทน้ําชาที่อยู่ในถ้วยเก่าทิ้งไปก่อน ถ้าเรายังเสียดายน้ําชาถ้วยเก่าของเก่าอยู่เราก็จะไม่ได้ไม่มีที่สำหรับจะใส่น้ําชาน้ําชาใหม่ถ้าเรายังรักความสุขแบบเดิมอยู่ยังรักความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพ้าอยู่เราก็จะไม่มีวันที่จะได้ความสุขจากความสงบถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ต้องทิ้งความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพ้าไป เราก็ต้องถือสินแปดเป็นจุดเริ่มต้นต้องไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขอีกต่อไปแต่ใช้เงินทองก็เพื่อเพียงแต่ดูแลรักษาชีวิตร่างกายให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งเท่านั้นทุกครั้งที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขก็เอาเงินไปทําบุญแทนแล้วก็มาถือสินแปดแล้วก็มาควบคุมจิตใจควบคุมความคิดทําใจให้สงบ สอนใจให้ฉลาดให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ เ, เป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกเพื่อจะได้ตัดความอยากถ้ายังเห็นว่าเป็นสุขอยู่ก็ยังอยากได้อยู่แต่ถ้รู้ว่าทุกอย่างเป็นทุทกเพราะอะไรเพราะไม่เที่ยงมีเกิดมีดับทุกเพราะว่าเราไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่คือปัญญาทางศาสนาให้เห็นอย่างนี้ ถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์กเพราะว่าไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะไม่อยากกับอะไรเมื่อไม่อยากมันก็สงบถ้าอยากมันก็จะวุ่นพออยากอะไรแล้วใจมันจะกระวนกระวายกัพสารกระสายจะได้หรือไม่ได้ ได้แล้วก็กวนกวายกระสับกระสา ย, ยว่าจะอยู่ต่อกับจะอยู่ไปนานัเท่าไหร่พอจากไปก็เศร้าโศกเสียใจมันเป็นทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ได้แล้วก็มาทุกข์ในขณะที่ได้แล้วก็มาทุกขท์ก ท, ที่ตอนที่มันเสียไปมันทุกข์อยู่ตลอดเวลา <c oughs> ให้เห็นความทุกข์อย่างนี้แล้วต่อไปจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรจะไม่อยากเป็นอะไร ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความจริงของเขาเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาไปเขาจะวิเศษขนาดนั้นก็ปล่อยให้เขาวิเศษไปคนมีเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็ปล่อยให้เขามีไปไ ม, ไม่ได้อยากจะมีกับเขาใครจะเป็นอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของทุกของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับ ไม่ไปดีใจไม่ไปเสียใจกับอะไรทั้งนั้นเพราะไม่มีความอยากอยากให้เป็นอย่างอื่นนั้นอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับได้หรือเปล่าเป็นสระนังกระฉามิีได้หรือเปล่า <_ G> เอาพระธรรมคำสอนเป็นแบบฉบับได้หรือเปล่าเป็นแสงสว่างนำทางเราได้หรือเปล่าเอาพระอริยสงสาวกมาเป็นแบบฉบับได้หรือเปล่า ถ้าเราทาได้เราก็จะเราก็จะสบายถ้าเราทาไม่ได้เราก็จะเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปก็มีอยู่ที่ที่ตัวเราเท่านั้นเองผู้ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเราจะจะทำอย่างไรไม่มีใครตัดสินใจให้เราได้ก็พักสักเดี๋ยวใ้าอยากจะถามอะไรนะ ทยากจะถาว่าเรื่องปฏิบ ja. ัติเป็นยังไงคะเมื่อเช้ายกเดินจางองตแรก็รู้สึกเห็นดีตัวอ่ตอนหลังร่หนแต่ว่าเดินก็มองเห็นทัยาใแต่ว่าตอหลังก็เหลือแต่ช่วงล้ามลงไปตหลังก็เหลือแต่เข่าแต่น่องตอนหลังมันเหลือแต่เท้าเพราะเดือแต่เท้ามันจะหยุดเดินมันก็จะไม่เหลือแต่แตว่าเรามองเห็นของรอันเหนของย ไม่มีสสิบไม่ตัวไม่สารอันนี้เป็นบ้านใช่ไหมล่ะไม่เราอันนั้ยย น, น, ะะออ น, นเป็นความว่างวใจว่างจากร่างกายแล้วมันก็หยุดแล้วยมก็ไม่รู้จะทำไงไม่ทำต่อไปนําต่อไปคือให้มันอย่าให้มันไปไปทุกข์กับอะไรไโยมจะเห็นว่าบางทีเวลามองภาพเลยะค่ะ จะเห็นภาพที่เรามองทั่วไปมันจะประกอบไปด้วยเม็ดสีเล็กๆๆๆกันเนี่ะค่ะมันคือไม่ได้แบบตั้งใจมองจริงๆแต่ว่ามันเหมือนมันรู้ว่ามันประกอบไปด้วยเม็ดสีเล็กๆๆๆนะคะเหมือนเราเอาเอาเอ่อแบนขยายไปส่องภาพพิมพ์เนาะค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราอาจจะคิดไปเองหรืออย่างเปล่าเห็นแบบนั้นก็ไม่ไม่มีไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างไร สิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือเห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆเห็นการดับของสิ่งต่างๆโดยเฉพาะของสิ่งที่เป็นของเราของที่เรารักของที่เราห่วงจะเป็นประโยชน์กว่าเพราะจะทําให้เราต้องปรับใจเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงนั้นถ้าเราไปเห็นเรื่องอื่นที่เราไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยไม่มีความผูกพันด้วย เห็นไปมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาหรือเป็นเป็นประโยชน์ แ, แต่อย่างใดมันแค่อยากทราบว่ามันเป็นมันเป็นอะไรนมันถึงเห็นเป็นดๆอย่นี้่แต่ว่ามัน <entertain, S 3> แต่ว่าจริงๆมันก็ชัดแต่ว่ามัเป็นมันเป็นปกติอันนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่ควรจะอยากจะอยากจะรู้เพราะว่ามันเป็นมันไม่เ uh. ป็นประเด็นสาคัญรู้ก็เท่านั้น <m ess> <t os> ให้ดูที่อยู่ที่ให้ดูในสิ่งที่เราลากที่เราห่วงเช่นดูถ้าจะดูกระดาษก็ดูเ mm hmm. งนิงนเงินแบงของเราดูเวลาเราไปเผาไฟแล้ ว, ระ ว, ะรลวเราใจเราสบายหรือใจเราทุกข์ mm hmm. ถ้าใจเราทุกข์ก็กสแสดงว่าเรายังห่วงยังห่วงยังเสียดายถ้าเราเผาแล้วเราสบายใจสแสดงว่าเราเราไม่ยึดไม่ติด เวลาดูหน้าจะเองในก็ะจกมันยังไม่เห็นเป็นจุดๆมันไม่เป็นอะเราไปกุงแต่งมันเองดูไปจวนตายมันก็ไม่เป็นจุดถ้าจะดูก็ลองดูให้มันที่เท่าต่อไปมันจะต้องเป็นที่เท่าแน่ๆเวลาไปเผาเวลาไปเผาไฟแล้วเป็นยังไงดูความจริงแต่อย่าไปอย่าไปจินตนาการในเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นความจริงดูที่เวลาร่างกายมันหิวเป็นยังไง ดูที่หนังมันเหี่ยวแบบนี้ดูตอนที่ผมมันขาวดูตอนที่มันนอนอยู่ในโรงพยาบาลนอนอยู่บนเตียงยู่ตอนที่อยู่ในโรงก็จะดูร่างกายมาให้ดูอย่างนี้มันจะได้เห็นภาพจริงและจะได้ปรับใจให้ให้เตรียมรับกับความจริงอันนี้ถ้ารับกับความจริงีได้ก็จะไม่ทุกข์ถ้ารับไม่ได้ก็จะทุกข์ ก็มีแค่นี้มีว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าอยากจะทุกข์กับร่างกายก็ก็ไม่ต้องดูมันถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องหัดดูมันบ่อยๆดูอย่างทั้งมันมันชินมันชินแล้วมันรับได้แล้วมันจะไม่มันจะไม่ทุกข์หรือถ้าจะดูเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายของคนอื่น เช่นเวลาเรามีการอารมณ์เห็นคนนั้นเราอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาก็ให้ดูในส่วนที่ไม่สวยงามของเขาบ้านดูเข้าไปใต้ผิวหนังถ้าเอาผิวหนังลอกผิวหนังออกมาเราจะมีอะไร้องแกะผิวหนังออกมา ผ, ผิวหนังนี่ไปเหมือนเปลือกที่หุ้มห่อร่างกายเอาผิวหนังเอาเนื้อออกมาเราจะได้เห็น ส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเราก็จะได้เห็นโครงกระดูกเราจะได้เห็นหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้หัดเห็นอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่เกิดการมาหลมมันจะดับการมาหลมได้ก็จะถือศีลแปดได้คนที่ถือศีลแปดไม่ได้ก็เพราะว่ายัางยังอยากจะร่วมหลับนอนกับคนคนนั้นคนนี้อยู่ ถ้าไม่อยากจะร่วมหลับนอนเกิดกเวลาเกิดอารมณ์อยากจะร่วมหลับนอนก็ให้นึกถึงส่วนอื่นที่ไม่สวยงามของคนบ้าง mm hmm. การปฏิบัติของเรานี้เราพุ่งเป้าไปที่การดับความอยาก mm hmm. เพื่อทําใจให้สงบถ้าไปดูในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับความอยากดูไปมันก็เสียเวลาเปล่าๆเช่นท mm hmm. ําไมเราไม่ดูดวงอาทิตย์ทำไมเราไม่ดูต้นไม้ mm hmm. ดูไปก็ทํานั้น mm hmm. เพราะมันไม่เป็นประเด็น มันไม่ได้เราไม่มีปัญหากับมันเราต้องดูกับตัวที่มันเป็นปัญหากับเราตัวที่ทำให้จิตใจของเราต้องวุ่นวายต้องทุกข์ทรมานใจต้องดูตรงนั้นเนนที่ปฏิบัตินี้ถ้าดูก็ให้ดูความเสื่อมของร่างกายของเราของคนที่เรารักแล้ว พยายามปรับใจให้เข้ารับกับความจริงให้ได้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ร่างกายของเราก็ดีของคนที่เรารักก็ดีสักวันหนึ่งก็จะต้องหยุดทำงานสักวันหนึ่งก็จะต้องกลายเป็นขี้เฒ่าเป็นเศษกระดูกไปมองอย่างนี้ถ้ามองคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนด้วยก็ต้องเห็นว่าเขามีโครงกระดูกเนะี่ยมีผีอยู่ในตัวเขา ถ้าเกิดเขาตายไปวันนี้คืนนี้ยังนอนกับเขาได้อยู่หรือเปล่าหรือไม่ไม่นอนด้วยลนะถ้ายังมีลมหายใจนี่ยังนอนอยู่ด้วยกันได้แต่พอไม่มีลมหายใจนี่คิดว่าเป็นผีไปแนละ้วไม่อยากจะนอนด้วยลนะอันนี้ค่คิดเพื่อดับการอ า, า, ารมณ์เพราะการอารมณ์ทาให้เกิดความไม่สงบกับจิตใจ เราต้องการความสงบต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ต้องดับการมาลุมให้ได้ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆคิดถึงสภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายนึกถึงเวลาเขาไม่หายใจแล้วตายไปสามวันขึ้นอื่นขึ้ น, ข, นขึ้นอื่นมาแล้วส่งกลิ่นเหม็นเรายังอยากจะนอนกับเขาอยู่หรือเปล่า <c oughs> คิดอย่างนี้บ้างจะได้ดับการมาลุรมได้ จะได้อยู่คนเดียวได้จะได้ทำใจให้สุบได้จะได้มีความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงมาเป็นเป็นเครื่องให้ความสุขกับเราเพราะว่าถ้าเขาไม่เที่ยงนี้เวลาเขาจากเราไปเราก็จะเสียใจเราก็จะว้าเวแต่ถ้าเรามีความสุขภายในใจแล้ ว, ลวเราไม่ต้องหาอะไรมีความสุขตลอดเวลา เราต้องพิจารณาเพื่อตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องจากเราไปต้องหมดสภาพไปแม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องหมดสภาพไปแต่การหมดสภาพไปของร่างกายนี่มันไม่ได้ทำให้เราหมดสภาพไปด้วยเรายังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราจะอยู่แบบไหนเราจะอยู่แบบทุกข์เราจะอยู่แบบไม่ทุกข์ถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ยอมรับกับสภาพของการ ดับของเขาได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเฉยๆสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้ามองในมองด้วยปัญญาก็จะคิดว่าดีสิเพราะว่าไม่ต้องมีร่างกายมาคอยดูแลรักษาต่อไปร่างกายนี้เป็นภา ร, ระอันหนักตั้งแต่ตื่นมาจนหลับเนี่ยเราต้องคอยดูแลร่างกายตลอดเวลาต้องหายใจต้องหาน้ามาดื่มอาหารมารับประทาน ต้องคอยทำชำระทำความสะอาดขับถ่ายอยู่ตลอดเวลาไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทำภารกิจห น, นี้ถ้ามองด้วยปัญญาแล้วความตายนี้กับกับเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นการหมดภาระไม่ต้องแบกบถ้ายังมีร่างกายนี้อยู่ถึงแม้ว่าใจังไม่มีความอยาก กับร่างกายไม่มีความทุกข์กับร่างกายมันก็ยังมีภาร ะ, ะที่จะต้องคอยดูแลรัะละกษาร่างกายอยู่พระพุทธเจ้ า, ายังต้องบินดับบาทยังต้องฉันยังต้องอาบน้ำยังต้องกินยาเวลาไม่สบา ย, ยพยายามพิจารณาความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างไว้ เพื่อเราจะได้ไม่ยึดติดเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางเพื่อเราจะได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในตัวเราแล้วถ้ามีความสงบแล้วมันไม่มันไม่ต้องการอะไร ถ้าจใจปล่อยวางแล้วจใจจะมีความสุขจะมีความสงบจะมีความสบายจะไม่หลงไปยึดไปติดไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราท่านอาจารย์คะถ้าถ้าร่างกายเรามีหมายว่าเรามีโลกที่จะต้องไปรักษาถ้าเกิดบอกว่าเราคิดว่าเราต่างกายมันเราคงไม่อยากได้แล้วแล้วเราก็ แต่ว่าเป็นช่างเถิดเป็นอะไรก็ช่างก็ไม่รักษาอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปไหมคไม่บาปว่าถ้าเราไม่ไปทำให้มันตายเราปล่อยให้มันตายเองถ้าเราไปทำให้มันตายเช่นกินยาพิษอย่าง น, นี้เป็นบาปเพราะเป็นการทำลายร่างกายมีเจตนาอย่าไปทาให้อย่ามีเจตนาทำลายร่างกายมมาปล่อยวางไม่บาปถ้าไปทำให้มันตายบาปปล่อยให้มันตายเองไม่บาป สติว่ารู้หมอหมอวินิจฉัยว่าเออเป็นเบาหวานหรือเป็น อ, อะไรเงี้ยเราก็ดูแลเขาแบบไม่ไม่ดีอย่างเงี้ยร่างกายดูแลเขาไม่ดีปล่อยให้เขแบบบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างเลยไม่ถือเป็นบาปเลยครับไม่บาปไม่กินก็ไม่บาปแต่อย่าไปทําให้มันตายแค่ถอด ต, ตายเลยเป็นการปล่อยวางเลยปล่อยให้มันอยู่ไปตามสภาพของมัน มันเราปลูกต้นไม้แล้วเรขี้เกียจลดน้ําก็ปล่อยมันอยู่มันอยู่ได้ก็อยู่ไปมันอยู่ไม่ได้ก็เรื่องของมันแต่เราไม่ลดน้ําให้มันละที่ตอนเริ่มต้นที่อาจารย์พู่เนี่ยนะแต่แอดที่หมอให้ยาอาจารยเลยที่ที<ฆ>ตตนะ่ตอนเริ่มต้นนะครอาจารย์หรือว่าหมอเขาให้ยาคือบอกว่ามีไม่หรอกคือยาแล้วก็มีอยู่บ้างแล้วแล้วก็ยาแต่ละที่นี่คนเขาเอามาให้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างไร เราะว่าดีก็ก็ท่านนั้นเน่ะเพราะว่าดีแต่เราไม่รู้มันดีกับเราหรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะเป็นหนูลองยาเนี่ยแล้วเราก็ไม่เป็นอะไรเราไปกินมันยังไนงแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้มันอยู่กันนานๆมันอยู่ได้เท่าไหร่ก็อยู่ไปก็เลยคิดว่าถ้าไม่รักษาตัวเองไม่ดูแลตัวเองเนี่คิดว่าเป็นบาปไม่บาปแบบไม่รักษาม er> ไม่บาปไม่กินข้าวก็ไม่บาปปล่อยให้มันอดตายก็ไม่บาป ที่เกียรกินเน่สมมติที่เกียจกินก็ไม่กินเหมือนกันจะไปบาปตรงไหนกึ่งค่าตัวตายไม่ได้ค่ะถ้าเกียรติชนะไม่กินนี้เพราะเกียรติชนะจะให้ตายไม่ได้เกียรติชะให้ตายคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ามันมีความทุกข์แลไม่อยากจะอยู่ครับไม่อยากจะอยู่นี่เป็นกินเลสายเป็น วิภาวาตันหาทำให้ทาให้จิตเครียดจิตทุกข์แต่คนที่จิตมีความสุขนี่เขาเฉยๆอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้กินก็ได้ไม่กินก็ได้มันต่างกันมันไม่เหมือนกันต้องดูที่ใจเป็นหลักว่าใจใจเป็นอย่างไรใจมีความอยากกับมันหรือเปล่าไม่ว่าอยากให้มันอยู่หรืออยากให้มันตายนี่เป็นเป็นกิเลสทั้งนั้น คือที่เขาจะถามเรื่องถ้าเกิดว่ า, วาบริบาลแบบว่าทำอะไรคืออยากจะปรับเหมือนบริบาลดีๆ น, นะคะต้ อ, อ, องควรจะทำยังไงก็ลองดูความจริงว่ามันดีได้หรือเปล่าเหมือนแบบเหมือนบางคนเขาจะบอกเหมอนแบบส <c oughs> มเด็กช่วยงานก็จะแบบมียู่โอ้โหสิบี่สิบปีไม่ออกอะไรเลยอะเขาที่แบบเปลี่ยนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้มันมีทั้งดีไม่ดีใช่ไหมก็ไปซื้อส้มที่ตลาดมันก็ต้องเลือกใช่ไหม ถ้าอยากจะได้ดีก็ต้องเลือกถ้าเลือกไม่เป็นก็ช่วยไม่ได้ถ้าเลือกไม่เป็นก็ต้องเอาตามมีตามเกิดเลือกมาแล้วก็ต้องก็ต้องเสีงเนาะถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่อย่าไปอยากอย่าไปอยากในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้จะทุกข์ไ ป, ป, ป mm hmm. เปล่าๆาใจไหม เลือกลือกรถยนต์นี้มันง่ายกว่าเลือกคนเนี่ยรถยนต์นี้เขามีมาตรฐานเขามีการควบคุมคุณ ภ, ภาพเพ<ม>อผลิตมาเขาสามารถรับประกันได้ว่าดีทุกคนแต่คนนี้ไม่มีใครมาสามารถรับประกันได้ว่าดีทุกคนนั่นก็ต้องทําใจไม่ดีก็เปลี่ยนมันยากตรงไหนเลยก็เลือกเท่าที่เราจะคิดว่าดีที่สุดแนละ้วก็แล้วกัน เขาจึงมีเขามีขั้นตอนของการคัดเลือกในเวลาเขาจะเลี้ยคนอยู่ที่ว่าเราจะต้องการใช่อะไรเป็นเกณฑ์ใช้ความรู้ความสามารถหรือใช้ใช้ศีลธรรมความดีความดีมันต้องใช้เวลาก็บอกว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเรื่องของคนดีไม่ดีนี้ก็ต้องก็ต้องรอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ตัวเราเองยังไม่รู้ว่าดีไปตลอดหรือเปล่าแล้วว่าไว้ให้คนอื่นเขาดีตัวเราเองทําให้ดีได้ปตลอดได้หรือเปล่าแล้วควรจะสร้างกุศล อ, อย่างไรหรือเปล่าคะที่จะส่งเสริมในรื่องนี้นะคะคือโลคนี้เราไปไปไปสั่งมันไม่ได้ไปสั่งให้มันดีตามที่เราต้องการไม่ได้นี่เป็นความจริงที่เราจะต้องเข้าใจเพื่อเราจะได้ไม่ไปหวังอะไรมันมาก เราก็เพียงแต่เลือกตามที่เราคิดว่าดีที่สุดในสายตาของเราแล้วถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนไปกเป็เปลี่ยนไปต้องอยู่กับความจริงโลกนี้ไม่ใช่เป็นโลกที่เขาเรียกอาแล้วดีไปร้อยเอร์ซนคนเราไม่มีใครหรอกที่ดีไปร้อยเปอร์เซ็นตไปตลอดเวลา บางเวลาก็ดีบางเวลาก็อาจจะไม่ดีแม้อดีจะมาดีมาแต่อดแต่ก็ไม่มีใครกล้า ร, รับประกันอนาคตเขาได้เพราะใจคนเปลี่ยนได้เหตุการณ์บังคั้ให้ใจเปลี่ยนคนเปลี่ยนใจคนได้ที่เขาดีมาเพราะเหตุการณ์ทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาเขาก็ดีได้พอเขาไปอยู่กับเหตุการณ์ที่ยากลําบากที่จะทําให้เขาต้องทําไม่ดีขึ้นมาเขาก็อาจจะทําไม่ดีได้ นั้นตัดความอยากอันนี้ไปเถอดคือให้คิดว่าเราเราเราพยายามเลือกให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเลือกได้ตามความสามารถของเราถ้าเราไม่รู้เราก็หาคนที่เขาเลือกคนเป็นให้เขาช่วยเลือกให้แต่ยังไงก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทำไม้ก่อนก็ถึงมั่นกันก่อนเลยก็ไม่แต่งงานกันเลยเอ การมัดนี่ก็เพื่อเป็นการการใช้เวลาดูดูว่าเขาดีหรือไม่ดีแล้วก็ต้องมีการทำข้อสอบให้เขาสอบเขาด้วยต้องทดสอบใจเขาด้วยไม่ใช่ว่าเอาจอกเอาใจกันตลอดเวลาต้องขัดใจกันบ้างเวลาขัดใจกันแล้วดูทื่ว่าเขาจะยังดีอยู่หรือไม่ ถ้าเอาใจกันมันก็ดีกันได้แต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วหนึ่งเดี๋ยวมันไม่เอาใจกันแล้วสิงนั่นอย่าไปเชื่อคําพูดของคนเวลาขายเขาพูดอะไรว่าผมจะดีอย่างนั้นจะดีอย่างนี้อย่าไปเชื่อเป็นโฆษณาชวนเชื่อฟังได้แต่อย่าไปเชื่อเป็นอย่างนี้ปฏิเัตเปลี่ยนบ่อยอะค่ะคือเด็กรุ่นใหม่อาจจะเหมันเปลี่ยนงานบ่อยด้วย น่ออยะก็มันมีมันมีอีกปัจจัยหนึ่งถ้าไม่อยากจะเปลี่ยนบ่อยก็มีเครื่องรอดใจเขาให้เขาได้รอบประโยชน์มากเขาก็อาจจะไม่เปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนนี้เพราะเขาไม่ดีด้วยว่าเขาเขาาก็ไม่เหตุผลของเขาเช่นจะไปอยู่ใกล้ๆแฟนแล้วก็อะไรอย่างนี้ต่างๆนั้นนะคก็อย่างนั้นแหละเพราะโลกโลกนี้มันมันมีเหตุมีปัจจัยหลายหลายหลายอย่างมันมีตัวแปรหลายอย่าง ถึงให้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่อแฉแน่นอนให้เห็นอนิจจังอนิจจังก็คือไม่มีอะไรตายตัวเห็นอนหนัตตาก็คือเราไปสั่งไม่ได้ไปควบคุมมันไม่ได้เราต้องปรับตัวกับกับสภาพที่เปลี่ยนไปเลยอย่าไปยึดติดกับสภาพใดสภาพหนึ่งเพราะมันจะทําให้เราทุกข์ทำให้เราเครียดขึ้นมา ทำใจเราให้เป็นเหมือนเรือเรือนี้มันจะขึ้นลงกับน้ําได้ตลอดเวลาอย่าไปเหมือนกับท่าท่านี้เวลาน้ําขึ้นมันก็ท่วมท่าเวลาน้ําลงมันก็อยู่เกือบจะไกลจากท่าถ้าจะทําท่าน้ําก็ต้องทําท่าแบบลอยลอยขึ้นรอยลงกับน้ำํำใจเราก็ต้องรอยขึ้นรอยลงกับเหตุการณ์ต่างต่าต้องปรับตัวไปเรื่อย อย่าไปยึดติดกับสภาพใดสภาพหนึ่งคือข้าทราบมาว่าในการเจริญปฏิบัติภาวนาเนะะี่ค่ะทานเป็นบาทของศีลศีลเป็นบาทของการเจริญภาวนาถ้าบุคคลใดไม่ได้ทำทานอยู่เป็นประจำไม่ได้รักษาศีลการเจริญเริญภาวนาจะดีได้นะคะยากเป็นไปไม่ได้ปไปไม่ได้ใช่ไหมค เช่นโจรนี้จะไปภาวนาหรือเปล่าเพราะก็ยังสงสัยอยู่ว่าอย่างบางคนเขากพูดว่าเนี่ยภาวนาเขาดีมากแต่ว่าทานเขาก็ไม่ทานเล่าก็ยังดื่มอยู่ศีลก็ไม่รักษาก็เลยคือก็ยังคล่องใจอยู่เสมอว่าเออบุคคลเช่นนั้นการภาวนาจะดีเป็นไปได้อย่างไรอเงี้ยค่ะเป็นไปไม่ได้เหรอคนกินเล่ามามจะไปภาวนาได้อย่างไรเพราะว่มันมีเยอะนะคะว่าที่สถานปฏิบัติธรรมที่ คนไปปฏิบัติเยอะแล้วเขาบอกว่าเขาภาวนาได้ดีมากแต่ก็สังเกตดูว่าเขาก็ไม่เคยทำบุญตักบาตรไม่ศีลก็เหมือนก็ยังไม่ได้พิธานนี่มันไม่ได้อยู่ที่ทการทำการทาบุญตักบาตรอย่างเดียว<ฆ>มันทำได้หลายรูปแบบ<ฆ>คือให้เราเป็นผู้ที่ใจกว้างเสียสะ<ฆ>ละไม่ยึติด ก, กับเงินทางช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนนี่ก็ถือว่ามีทานในใจแล้ว ศีลก็คือถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนผู้ก็มีศีลไม่ต้องมาเข้าวัดถือศีลจากพระศินมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ไปพูดผิดประเวณีไม่พูดปลดไม่เสดจุลยามาไม่เสดอบายมุขต่างๆนี้เราก็มีศีลแต่เข้าวัดหรือไม่เข้าวัดก็ไม่เป็นปัญหาเี้ แต่เรื่องท่าเรื่องบอกว่าถ้ากินเหล้าแล้วจะนั่งสมาธิได้นี่เราเราเร า, เราไม่เชื่อหรอกบางคนที่กินเหล้าเราไม่เมาอ่ะเราไม่เมาอ่ะมันขึ้นววเวลานะคะขึเวลาที่ที่เห็นนะคะก็มีแค่แค่งงเฉยว่าเออเขาก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะก็ยังเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอที่ที่เขาพยายาเป็นเหมือนขั้นบนันไดค่ะว่ามันจะสามารถข้ามขั้นบันไดไปบนี้ ภาวนาได้ดีสิร้อยสำหรับบางคนเป็นไปได้เช่นองกุลิมานี่ก็ไม่มีศีลนฆะ่าคนต้อง999คนแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าเขาพลิเาเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนตัวก็ได้เขาหยุดการฆ่าหยุดทําอะไรได้หมดเขาก็มีศีลขึ้นมาเลยมันก็จะไปดูแบบรูปรูปแบบไม่มีอะไรตายตัวอ <Okay. S 2> ะไรอ่างเงี้ยคือบางทีเขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เอาออกมาใช้เหมือน เขามีศีลอยู่นะแต่พอดีช่วงนั้นเขาถูกหลอกให้ไปทำบาปเขาก็ไปทำบาปแต่พอเขารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ทางเขาก็หยุดยังไงไงโดยภาพรวมก็คือต้องทานศีลภาวนามันต้องเป็นอย่างนั้ทำทานนี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อให้ร่ำรวยทำเพื่อให้ยากจนทำให้จะได้ไม่มีเงินใช้จะได้มีเวลาไปภาวนาใจให้บาปถ้ามีเงินเดี๋ยวมันจะไปดูหนังไปเที่ยวไปกินเหล้าเมายา ที่ให้ทำทานเพื่อให้ตัดทางออกของกิเลสไม่ใช่ทำทานเพื่อให้ร่ำรวยทำทานเพื่อจะได้เข้าไปอยู่วัดได้เท่านั้นการมีเงินเดี๋ยวมันอดที่จะไปเที่ยวไม่ได้ไปซื้อข้าวซื้อของไปกินไปดื่มไม่ได้ก็ทำให้มันหมดไปพอไม่มีเงินแล้วมันก็ไม่ไปนะไปอยู่วัดดีกว่ามันก็จะรักษาสี่งแปลกได้ ถ้าจะภาวนาต้องรักษาสีแปดสีห้าไม่พอสีห้าไม่มีกําลังเหมือนขึ้นเขานี่ต้องใช้เกียร์ต่ําถ้าใช้เกียร์เกียร์สูง่ขึ้นเขาไม่น่าันมีแรงจะถ้าจะภาวนาต้องสีแปดขึ้นไปถ้าไม่ภาวนาสีห้าก็พอาครับมีปัญหาของบางคนนะครับอาจารย์แต่ว่า ถามไปแล้วนี่มันจะเป็นอะไรไหมครับก็อยู่ที่คุณเนอะคุณจะถามไม่ถามเลยคือประเอนมันเป็นเรื่องคันสะสามดํำครับอาจารย์เออถามได้ไหมครับสามดำเราไม่รู้เนี่ยถามไปลราคงจะตอบไม่ไดไ้ไม่ครับคือมี้ครับคือเป็นว่ามีคนอยู่กลุ่มคือคนรู้จักผมนะครับาอาจารย์แล้วประมาณว่าเ อ, อตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยซึ่งไปบัตรทมเคยคือเมื่อ ก, ก่อนก็คืออาจารย์เขาเคยไปบัตรทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับ เราแบบว่าช่วงหลังเนี่ยคือเขาก็เปลี่ยนไปครับมือนกับว่ามีอารมณ์ทุนเชียวขึ้นโกรธมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอืแล้วก็มีเขาก็เลยปล่อยข่าวว่าอาจารย์ท่านี้เนี่ยปล่อยเรื่องของมาอะไรเงี้ยครับอืแล้วก็เหมัอนกับว่าคนที่เขาได้สัมผัสเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเองถูกของเช่น อ, อมีความคิดเช่น อ, อบางทีก็เห็นเป็นภาพรามุกอะไรเงี้ยท่านอาจารย์หรือ ว, ว่าปวดหัวตลอดอะไรเงี้ยครับ ใช่ครับท่านอาจารย์แล้วเขาก็คือแบบตอนนี้เขาก็กลัวมากที่บอกว่าไอ้ของสายดําเนี่ยจะมาหึงเขาหรือเปล่าเพราะว่าคนในกลุ่มนั้นก็พูดตลอดว่าอาจารย์นเนี้ยปล่อยของนะแล้วก็มีคนที่เป็นอายุอยู่หลายคนอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะท่านจะได้ําแนะนํากับคนเขาคิดไว้เราจะรดนของหรือเปล่าหรืออย่างนี้ยังไงดีครับท่านอาจารย์คนเดินทําเราไม่ได้หรอกเราทําตัวเราเองทยานอาจาเราไปคิดขึ้นมาเอง คิดตามที่เขาเขาล่าเลยกันมาเขาว่ากันมาถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เอามาใส่ใจเรามันก็ไม่มีปัญหาคือคนอื่นทำอะไรเราไม่ได้ก็ได้เราทำตัวเราเองเราไปหลงตามที่เขาก็พืดกันมาแต่ว่าแต่ว่าคือเขามีอาการอา ก, อาการซึง่ง ได้ยินเสียงข ย, ยะไพรตลอดเวลามีช่ว ง, ง, งสงอวันสวันยแล้วเนีาา่ยค <c oughs> ่ใจเขาไม่ใจเขาไม่สงบมันก็เขาใจกขาปรุงแต่งไม่ได้ทำใจให้สงบทุกอย่างมันก็จบ <c oughs> เราไปเอาเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เอามามาปรุงแต่งขึ้นมาในใจเราเองเข้า ใ, ใจแล้วรับ เลยว่าที่เขาคิดมากเพราะว่าเหมือนกับทีพาร์ทที่นักถือสองรูปอะครับแล้วก็พาร์รูปหนึ่งเนี่ยคือเหมือนกับเป็นพาร์ชื่อดังด้วยครับออืก็ก็บอกว่าหนุนคุงน้องเอ๊ะคนนี้คือเขาจะปล่อยขอมไม่ยิ้มาใส่เราหรือเปล่าเลยทำให้เขากังวลมากขึ้นอย่า ง, างเงี้ยใช่เออก็ไปฟังคนเขาพูดขึ้นมาถ้าไม่ไคยฟังมันก็ไม่กังวลใช่ไหมเนี่ยเราไปรับข้อมูลมาแล้วเราก็ข้อมูลนั้นมามาปั่นใจเราเองเข้าใจแล้วปบ ถ้าเกิดเขาว่าพรุ่ง น, นี้โลกจะแตกนี่ก็หวันนั้นไปหมดนั้นเหมือนกระต่ายตื่นตูงเลยกระต่ายตื่นตูงก็ได้ลินมินนทานหรื<น>อเ<น>ปล่ากระต่ายมันนอนอยู่ใต้ต้นตาลตานหล่นลงมามันก็ตกใจนอนหลับคิดว่าเฮ้ยทันยินถล่มแล้วมันวิ่งเลยอะมันไม่สำรวจ ด, ดูก่อว่าเป็นอะไรสรัตวเอื่นเห็นข้ากรถามเป็นอะไรโลกถล่มมันก็เลยตื่นขึ้าใหญ่เจอกระทั า, า, าไปเจอราชสีราชสีเ้ยไปไหนกัน มีอะไรเลยพวกแผ่นดินถล่มถล่มตรงไหนไหนพาไปดูหน่อยเลยกลัวราชสีมากกว่ากลัวแผ่นดินถล่มยังต้องพากลับไปดูที่แผ่นดินถล่มแล้วไปดูแล้วเป็นยังไงอ๋อมีลูกจานหลงลอยลอยๆก็เล่าทฤษฎีดูสิคนที่เขาพูดเนี่ยก็พูดยังไงแล้วไปทานั้นไปเช็คดูเขาแล้วถ้าเขาเก่งจริงทําไมเขาไม่เป็นผู้วิเศษทําไมต้องมาหลอกมามาสายพวกเรากินอยู่ทําไมเขาไม่ผลิต ให้ตัวให้เขาลเลาเงิไม่ต้องมาขายพวกเราเป็นลูกศิลป์ลูกหายเป็นแต่คำพูดของท้างนี้ว่าทําให้เราใจสั่นหวันหว่นไหวกันหมดเพราะใจเราไม่มีหลักกันารในใจใจเรามันมีความนักตัวกลัวตายอยู่ฝังอยู่ในใจแล้วพอใครมาที่ต่อมนี้เขาท่า น, นโอไปกันใหญ่เลยไม่มีอะไรกระต่ายตื่นตันี่ตื่นมงคลเขาเนี่ยพวกตื่นมงคล เอาที่ไหนเขาว่าดีก็โอ้โหแ ห, หากันไปเป็นอห็นไหมไม่รู้ว่าดียังไงเขาว่าดีก็เอาแล้วล่ะเห็นไหมแล้วก็ถูกต้มถูกตุ๋นไปเป็ น, นลายๆเห็นไหมถ้าเกิด <c oughs> ว่าเรามีศียดีอย่างเงี้ยครับพวกนี้มันก็มาเข้าหาเราไม่ได้เลยถูกไหมฮะศีลไม่พอแบบนั้นต้องต้องมีสติมีปัญญามันเพิ่งจะหยุดได้น มันไม่ได้เป็นรักษาใจรักษาแต่กายวาจาสมาธิก็รักษาได้เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิถ้าจะรักษาเวลานอกสมาธินี้ต้องใช้ปัญญาต้องไม่กลัวตายถ้าไม่กลัวตายแล้วคนมาหลอกเรายากนะถ้ากลัวตายแล้วใครก็มาพูดอะไรเราเตือนได้หมดเหมือนถ้าไม่โลกคนก็มาหลอกเราไม่ได้ ถ้โลกนี้เด็ยเขาหลอกให้เราเจงได้หลอกให้เราไปลงทุนแล้วก็หลอกเอาเงินเราไปจิ้มหนะงั้นอย่าไปเตือนอย่าไปเตือนเต้นกับคําพูดของคนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันตอนนี้ไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องไปยิ้ตกใครมาบอกพรุ่งนี้อะไรจะเกิดก็ไม่ต้องไปทํางวันเราก็อยู่ของเราไป ขอรู้ว่าอะไรจะเกิดไม่เกิดเราก็ต้องตายแน่ๆทิกงแคนี้ก็พอไม่มีใครหนีความตายไปได้ไม่ต้องไปกลัวความตายถ้าไม่กลัวความตายแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรทําก็ไม่ทําก็ไปแกค้ความตายไม่ได้หนีความตายไม่ได้งั้นอย่าไปเป็นเหยื่อของคนอื่นครับ เมื่อเรามันเป็นพวกกระต่ายตื่นตูวเขาพูดอะไรยังไม่ทำเลยพิสูจน์คําพูดอของเขาแล้วเชื่อการลมาิดูนย์พจาท่านก็สอนแล้วอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเพราเขาพูดกันมาอย่างนั้นอย่าอย่าไปเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้ต้องพิสูจน์ดูก่อนว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ลองไปเปิดอ่านดูการละมาสูตรดูนะเคยอ่านไหมการลามาสูตรเคยจำ ไ, ได้จำได้ว่ <c oughs> วาก็คือคือข้ามเชื่อให้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งว่าแม้แต่อาจารย์ของเราว่ายังก็ไม่เชื่อแต่ไม่ให้ลบลู่ไม่ให้ปฏิเสธให้ฟังหูไว้หูแล้วเอาไปพิสูจน์ดูก่อนเช่นหมอเนี่ยหมอให้ยามารักษาเนี่ยอย่างเราเนี่ยเขาให้ยามา ถ้าเราเชื่อหน่อยก็ดีเพราะเราจะได้อาไปพิสูจน์แต่ที่นี้เราเห็นว่ายาที่จะที่ให้มากินนี่มันพิสูจน์ยากเพราะมันบอกว่าจกินแล้วจะทำให้อายุยืนเนี่ยมันจะไปพิสูจน์ได้ยงไหม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ถ้ามันเป็นไข้แล้วกินยานี้หายนี่น่าจะลอง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะมันพิสูจน์ได้กินวันสองวันมันก็หาย <c oughs> แต่นี่กินไปเป็นสิบปีก็ไม่รู้ว่าอยู่อายุยืนเพราะยานี้หรือไม่เราก็ไม่รู้อีกใช่หมนี่ มันต้องใช้เหตุผลมันใช้เหตุผลที่ทอดดูคือบางอย่างเขาพูดเราเชื่อก็เพื่อเชื่อให้เราไปพิสูจน์ดูอย่างเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าความอยากเกิดจากความความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเนี่ยลองไปพิสูจน์ดูว่าจริงรอยู่ไม่จริงการดับความทุกข์ก็คือการไม่ทำตามความอยากถ้าหายอยากเราจะไม่ทุกข์ ถ้าความอยากหยุดได้เมื่อไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปลองไปพิสูจน์ดูอันไหนที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าไปอย่าไปสนใจอาจารย์ได้อย่างพะมมกคลานะแล้วมีอัวอะไรที่เทวกรรมมาที่เข้าไปแทรกแล้วก็ทําให้พะโมกขลานะปวดท้องแล้วก็เด้งดังออกมาเนี่ย ตอนหลังก็รู้ว่าเป็นเทวบุทานไอ้ที่บทนี้มันหมายความว่าไงเ น, นี่เราก็ไม่ได้ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ได้ศึกษาไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่อริยสัจสี่นะอยู่ที่ทุกขสมุทัยนี่รุดมากประเด็นอย่างอื่นก็ถ้ามันเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นก็ใช้ได้ถ้าไม่เกิดความเข้าใจก็า ว, กวางไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนไม่ได้ไปสนใจ ปตายปีดกนี้ไม่ต้องไปเรียนทั้งตัวเดินแค่ธรรมจักกับสติปัฏฐานสี่สองสูตรนี่ก็พอพอแล้วอนัตตลักษณคณะสูตรสามสูตรนี่ก็พอพอที่จะทําให้การปฏิบัติของเราเนี่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่ต้องไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่มีมากม า, กกายไกลกองมันเป็นเรื่องที่มาเสริมความเข้าใจท่างให้ให้กว้างขวางออกไป แต่แก่นจริงๆของการปฏิบัติของคำสอนก็อยู่ที่พระ อ, อริยสัจสีนีนะ่ขอให้เราทำกิจในอริยสัจสีให้ได้อริยาาสัจสี่นี้มีกิจอยู่สี่ประการคือทุกต้องศึกษาให้รู้ว่าทุกนี้อยู่ที่ใจให้รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์นี้ก็คือความอยากให้รู้ว่าการจะดับความทุกข์นี้ได้ก็คือต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาอันนี้แหละให้รู้แค่นี้ ้วทำให้ได้ถ้าทุกดับแล้วใครจะเป็นอะไรก็ไม่เด็กเรไม่เกี่ยวกับเราใครจะเอาศีรษะเดินใครจะเดินถอยหลังใครจะมีวาสนามีบุญมีกรรมมีอะไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญเหมือนที่นิทานที่คนถูกถูกยิงด้วยลูกธนูแล้วมีคนย่อจะมาเอาลูกธนูออกเพื่อที่จะรักษาแผลให้ เราบาอย่าเพิ่งทําเดี๋ยวให้ไปเช็คดูก่อนว่าคนที่ยิงลูกธนูนี้เป็นใครมีเป็นชาติชา้นวรรณะอะไรเเป็นหญิงเป็นชายครอบครัวมีประวัติมาอย่างไรเนี่ยคุณไปหาข้อมูลเหล่านี้ให้มีเสียเวลาเปล่าๆใช่ไหมเดี๋ยวคุณตายพอดีถ้าคุณไม่รีบถอนเอาธนูออกแล้วรักษาแผลให้หายเราต้องรู้ว่ากิจที่จะเพิ่งกระทํามันอยู่ตรงไหน กิจที่จะต้องทำตอนนั้นก็คือต้องรักษาแผลให้หาเอาธนูออกฉันใดกิจที่เราจะต้องทำในปัจจุบันนี้ก็คือดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปด้วยสีนสมาธิปัญญาแค่นี้เองประเด็นอยู่ตรงนี้แต่เรามันไม่ชอบมันมันชอบไปทะเลถลาลชอบไปหาเรื่องบ้าบอคอแตกมา พรมันไม่ชาบศีลสมาธิปัญญาผู้ยังไงต้องเข้าเข้าทางนี้ให้ได้เข้าทางศีลสมาธิปัญญาให้ได้เราจะไปได้อย่างรวดเร็วภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าไปทางอื่นเนียอีกเจ็ดชาติอีกแสนชาติก็ไม่ไม่มีวันจบเพราะไม่ได้ไม่ได้มาแก้ปัญหาเหมือนคนที่ ไม่ยอมถอนธนูออกแล้วก็ไม่ยอมรักษาแผลปล่อยให้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ที่ยิงธนูก่อนก็ตายพอดีเวลาคนไข้มาโรงพยาบาลเขากหมอคนนี้จบมาจากที่ไหนรึเปล่าขอดูประวัติบาตรก่อนรึเปล่าใช่ไหมก็ต้องรีบรักษาก่อนมาใช่ไหมพอถึงหายกันงี้พวกเราก็เหมือนกันตอนนี้เราถูก ธนูของกิเลสตันหาทิมแทงอยู่ในใจเราไม่ยอมถอนมันออกกันเสียดายอยากจะไปรู้ว่ากิเลสมันเกิดมาได้ยังไงเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มันทำไมมันมันจะเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหรมไม่มันไม่สำคัญเน่ยสำคัญอยู่ที่ว่าตอนนี้เราฆ่ามันได้หรือเปล่าเรามีเครื่องมือที่จะฆ่ามันได้หรือเปล่า เครื่องมือที่จะข้ามมันเทวดาเจ้าก็มอบให้แล้วเราเอามาผลิตมันขึ้นมาสิเราต้องผลิตมันขึ้นมาเองเครื่องมือนี้ไม่มีคนอื่นผลิตให้กันได้ต้องผลิตกันขึ้นมาเองนี่นนี้ก็มาทำทานมาผลิตเครื่องมือแต่ทำน้อยไปหน่อยมันต้องทำทุกวันทำให้ติดเป็นนิสัยทำให้มากทาให้หมด นไดแล้วจะได้ไปทำทำผลิตเครื่องมืออย่างอื่นต่อไปได้พอทําทานเต็มที่แล้วก็รักษาศีลได้เต็มที่แล้วไปอยู่วัดได้บวชได้ก็จะนอสติได้ทั้งวันนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ทั้งวันพิจารณาปัญญาได้ทั้งวันอย่างนี้เจ็ดวันเจ็ดปีก็ก็จบได้ต้องทําอย่างนี้เท่านั้น ที่พวกเราทํากันมาอีกร้อยปีมันก็คงจะได้แค่นี้แหละเพราะมันมันไม่ทําเต็มที่กันถ้าตักน้ําใส่ตุ่มเมื่อตักตักวันละแก้วอย่างนี้เมื่อไรมันจะเต็มตุ่มถ้าเราตั้งใจตักกันจริงๆวันเดียวก็เต็มไม่กี่ชั่วโมงก็เต็มเราตักมันน้อยไปทําน้อยไป ความเพียรมันน้อยไปท่านก็บอกแล้วว่าจะดุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องต้องดูดด้วยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความประยัดไม่ทำงานที่เราจะต้องทำวันนี้ก็จะไม่มีวันที่จะจะสาเร็จได้เสียดายกับอะไรโลกนี้มันมีอะไรน่าเสียดาย มันมีอะไรที่มันน่ารักน่าน่าหวงแหนมันเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเรามองไม่เห็นกันทั้งวันนี้เราทุกขกับอะไรก็ทุกกับสิ่งที่เรามีตั้งแต่ร่างกายออกไปเราทุกกับร่างกายเรารือเปล่าเราทุกกับเงินทองของเราหรือเปล่าทต้องดิ้นรนหาเงินหาทองนี้ก็เพราะเรื่องเงินทองไม่ใช่เลยทาไมคนที่ก็ไม่หาเงินหาทองทำไก็อยู่ได้ นักบวชพระพุทธเจ้าก็าไม่หาเงินทาทองทาไมท่านอยู่ได้เราไปทุกข์กับมันเองอย่าไปอย่าไปหาของที่เป็นทุกข์สิหาของที่เป็นสุขของที่เป็นสุขก็คือความสงบภายในใจเราที่เกิดจากการฉละข้าวของเงินทองไปให้หมดจะได้ไม่มีเครื่องมือที่จะ ดึงให้เราไปหาความสุขทางอื่นเมื่อเราไม่มีเครื่องมือที่จะไปหาความสุขทางอื่นเราก็ต้องหาความสุขที่เราหาได้ในตัวของเราเองเราก็จะรักษาศีลแปดเราก็จะภาวนาภาวนาได้แล้วก็สบายมีความสุขไม่เอากันชอบเบาความทุกข์กัน นี่ก็ทุกข์กับการหาคนดีมาทํางานพราอยากได้เงินใช่ไหมอยากจะได้เงินอยากจะได้กําไรก็ต้องมีคนดีๆมาทํางานจะได้กําไรกันได้เงินมาแล้วเอาไปทําอะไรก็เอาไปเที่ยวกันเอาไปกินอย่างไปดื่มไเอาไปซื้อของที่ไม่ไม่จําเป็นเอาไปซื้อของเล่นของประดับกันแล้วก็แล้วก็ไปทุกข์กับมั กองเอองินหมดก็ทำไบหาหม่ตั้งวว้มี่สียงไเดี๋ยวถ้าต้องการจะฉันจะให้ญาติโยมถวายให้อีกทีครับจะได้เก็บไว้ได้ไปเรื่อยๆมีสมอด้วยออไ ด, อได้ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างฉันหมดได้หมดเพียงแต่ว่าต้องเอาไว้ก่อนระเควันนี้แล้วภายในเจ็ดวันนี้ต้องสละไปถ้าฉัน ถึงแล้วว่าจะเป็นสมอกับเขนที่ถือเป็นยาก็กต้องให้ในเจ็วันคือ ย, <า>ยาบางอย่างมันเจ็ดวันยาบางอย่างมันไม่มีอายุ อ, อะไรที่มีน้ําตาลผสมนี่มันจะเจ็ดวันแล้วน้ำตาลมันมีอายุเพียงเจ็ดวันถ้าเป็นยาเช่นใบชาเปล่าๆไม่มีไม่มีน้ําตาลนี่ก็เก็บไว้ได้ตลอดผงกาแฟผงโกโก้นี่รับประกแล้วก็เก็บไว้ได้ตลอด แต่ถ้ามีน้ำตาลผสมอยู่นี่ก็ต้องมีอายุเพียงเจ็ดวันเวลาไปวัดป่าเขาถึงจะไม่ไม่ค่อยนิยมประเันของกันถ้าเป็นของเกินของก็จะเอาไปว า, วางไว้แต่ถวายแต่ของใช้สนุกค่ะ อันนี้มันก็กลายเป็นอดีตกัแล้เหมือนความฝันเมื่อคืนนี่นอนฝันดีพอตื่นขึ้นมามันก็ผ่านไปละหมดไปละวมนต่อให้ไปทาอะไรให้วิเศษวิโสขนาดไห น, นพอเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปมันไม่ค้างค้างอยู่ในใจเหมือนกับคว า, ามสงบความสงบนี่มันอยู่ติด ก, กับใจเราไปตลอดไม่ต้องไปไม่ต้องไปหามันมันอยู่กับเราเป็น เ, นเงาตามตัวเรา แต่สิ่งอย่างอื่นมันไม่เป็นเงาตามตัวแล้วมันกลายเป็นความจําไปเป็นสัญญาไปเราไปอยู่ทา่ามกลางคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินี้ปฏิบัติายากมากเลยบุคคลไม่สัปปายะไงเราต้องเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะเช่นอาหารสัปปายะสถานที่สัปปายะบุคคลสัปปายะก็ต้องไปอยู่กับที่ที่ทําเหมือนกัน ที่ไหนที่คนเขาปฏิบัติเหมือนกันมันก็สับไยะสถานที่มันสงบมันก็สบไยะถ้า ส, สถานที่มีแสงเสียงแสงสีเสียงนี่มันก็ไม่สับไยะอาหารถ้ารับประทานแล้วมันทําให้ท้องไม่ดีท้องเสียมันก็ไม่สับไยะหรืออาหารแบรับประทานไม่ลงนี้มันก็ทําให้ขาดอาหารได้อาหารก็ต้องสบไยะอากาศก็ต้องสับไยะ อากาศถ้ามันหนาวเกินไปร้อนเกินไปนก็ไม่ได้นักปฏิบัติก็ต้องดูความสับป์ปายะของสิ่งนอนี้ดูบุคคลดูสถานที่ดูอากาศดูอาหารเนี่ย <c oughs> ถ้าไปปฏิบัติกับคนที่เขากินเหล้าเมายาเนี่ก็ปฏิบัติไม่ได้นะ ไปปฏิบาติกับคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงนี้ก็ปฏิบัติไม่ได้ต้องไปปฏิบัติกับคนที่ทหัวเราะทำเชื่อเคยถึกตอนทห้ทำมาสมาัยก่อนแล้วก็เคยให้พระแต่พอมาถึง ขันหนึ่งพอพอปรงตายแล้วแล้วไม่ห้อยละห้อยก็ตายไม่ห้อยก็ตายคิด อ, อย่างนี้ไม่ ห, อหม้อยแล้ว <laughs> นะดีความตายไม่พน้นอาจารย์อย่างที่เขารักษาอย่างเราหวานกินยามากิกนยามากมหรือยัรักษาโรคเรามาหาเราเราเป็นหมอเราดุไปว่าทําไมคุณไม่กินยาอย่างต่อนแรกตกลงเราผิดไหมคะ คือคือการพูดอย่างนี้มันเร็วเป็นการดุหรอก่าเป็นการพูดความจริงเป็นการสอนคนไข้ที่เขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเราไปไปโกรธเขาไม่ได้นั่นเองเราอย่าไปโกรธเขาแล้วเราก็ทําตามหน้าที่ของเราถ้าอยากจะหายถ้าไม่อยากจะตายเร็วก็คนจะกินยานะบอกเขาไปอย่างนั้นถ้าไม่กินยานี่ก็ตายเร็วนะหมอไม่รับรองนะรู้ไปคร หรือไม่นทั้งพูดก็ได้ส่วนใหญ่จะพูดก็เมตต <laughs> ากลัวตายอย่าไปพูดด้วยอารมณ์ก็แล้วกันอย่าไปพูดด้วยอารมณ์ <laughs> พูดด้วยความเมตตาสัมมาวาจาพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยความเมตตาอย่าไปพูดด้วยความโกรธความเกลียดความโมโหโทโส คือถ้าอาจาย์ในใจเราไม่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นแต่น้ำเสียงเราเสียงไ่ได้เลยแล้วกันมันเปลเนี่ยมันเราปฏิเสธเองว่ามันน้ำเสียงมันก็ฟ้องอยู่แล้วเวลามีความเมตตาน้ำเสียงมันจะเป็นอย่างอย่างเวลามันมีความไม่พอใจมันจะเป็นอย่างถึงแม้อาจจะไม่เป็นความโกรธแต่มันเป็นความไม่พอใจลึกๆที่เราทำไมเป็นอย่างนี้คนนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความไม่พอใจนะ การพิการดินน้ำเก่าคือเพิ่งมาแขังแรงเลยครับดินน้ำเก่าไหมครับติต่อปัญหาคาใจอ๋อดีครับดินั้นดีมากเลยครับเราเราเคยของการชอบอยู่กัน้าเอาไปศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นไปตามลำดัแบบจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงอย่าไปสนใจกับความสุขความเจริญทางราบยุทธสารเสด็จมันเป็นของชั่วข่าว เอาความสุขความจเจริญทางจิตใจดีกว่ามันจะติดไปกับเราต่อไปความสุขความจเจริญทางราบยศสารเสนสุขมันไม่ติดมันไม่ติดไปกับเราเพราะร่างการนี้ตายกันมันก็หมดสภาพไปแต่ความสุขความจเจริญทางจิตใจนี้มันจะไปกับเราอยู่เรื่อยๆเทียนพระพุทธเจ้าเนี่ท่านภพชาติงท่านก็น้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งมาได้เป็นพระพุทธเจ้าก็หด เอาอย่างนั้นดีกว่าของแท้ของจริงราบรื่เสรอเสริญสุขทางร่างกายนี้เป็นของของปลอมของชั่วคราวเพราะร่างกายก็เป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราของไม่ใช่เป็นตัวเราตัวจริงของเราก็คือใจนั้นต้องเอาใจเอาความสุขที่ใจเป็นหลักนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานพุทนธะเจ้าท่นสอนนี่เดี๋ยวกลับละคุณ